บ่ฮงเวสารนังยันตีป่พัฒนีวันานิจาอารหมรุกเจตยานีมนุสย์พยตาชิตาเนตังโคสรนังเขมังเนตังสารณมุตตมังเนตังสรณมากขม่า สาบาดขาปโมจติโยจะบุตรทันจะทำมันจะสั้งขันจะสร้าังขะโตจัตารีอริยสัจจานิสัมมปัญญาญาปสติดุขังดุขสมุปปัฏฐานดขะสาจะอเทกามังอริยจะทังกิกังมังคัง โตโคปสัมมาคามินางเอตังโคสรนังเขมังเอตังทารณาโมตมังเอตังทารนามะกามาสับบาโดคาปโมจติขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองขอนอบน้อมพระธรรมด้วย ขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายด้วยด้วยความเคารพเอือ้อเฟื้อพระบระมาศ า, าสดาทรงตรัสว่ามนุษย์เป็นอันมากเมื่อถูกมหันตภัยคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นต้ น, เ, นเบียดเบียนคุก ค, คามแล้วก็สแสวงหาต้นไม้ภูเขารุกเจดีพระอินทร์พระพรมดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เป็นต้นเป็นสระนะพระบระมาศาสดาทรงตรัสว่านั่นไม่ใช่สระอันกเกษมนั่นไม่ใช่สระอันสูงสุด เมื่อประชาสัตว์อาศัยสารณะเหล่านั้นแล้วไม่สามารถพ้นจากมหันตภัยมหันตทุกเป็นต้นได้ส่วนบุคคลใดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องกำจัดภัยเข้ามาศึกษาอบรมจนสามารถฝึกตนเองเข้าถึงศีลสมาธิปัปญญาแทงตลอดอริยสัตจตธรรมทั้ง4แทงตลอดทุกโดยการกาหนดรู้ทุกขสมุทยัยโดยการละทุกขนิโรธโ ด, ดยการทาให้แจ้ง ทุกขานิโรธคาวมีนิปฏิปทาด้วยการเจริญด้วยการอบรมจนสามารถทำยานปัญญาให้แทงตลอดสัจจทั้ง4เข้าถึงโรกุตระสารณคมได้อย่างแท้จริงพระบระมาศา ส, าสดาทรงตรัสว่านั่นแหละเป็นสารณาอันกเกษมนั่นแหละเป็นสารณาอันสูงสุดเมื่อประช า, าตว์อาศาัยสารณะเหล่านั้นแล้วจึงพ้นจากมหันตภัยมหันตทุกข์เป็นต้นได้ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย วันนี้เป็นวันใกล้จะถึงสุดท้ายแล้วที่เราจะมาศึกษาประพฤติปฏิบัติกันแล้วพรุ่งนี้อีกครึ่งวันก็จบเราท่านทั้งหลายได้เดินได้ศึกษาคำสอนของพ่อสามมาสมุทะเจ้าถ้าไม่นึกถึงพระบารมีของพระเจ้าที่บำเพ็ญทานบา ร, รมีศีลเนคขมมะปัญญาวิริยะคันติสัจจะอธิฐานเมตตาและเวขาบา ร, รมี อุปปัฏมีส10บและประมัตถบรมีสิบพระพุทธเจ้าเนี่ยส่งบำเพ็ญทานบ ร, รมีเป็นต้นจนถึงอุเบกขาบา ร, รมีเป็นที่สุดโดยเฉพาะสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งยวดอีกอย่างหนึ่งก็คือปัญญาบา ร, รมีธรรมทั้งหลายมีทานบ ร, รมีเป็นต้น น, นะไม่ว่าทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคข ม, มา่าจนถึงเบกขาบ ร, รมีถ้าเว้นเสียจากปัญญาแล้วย่อมบริสุทธิ์ไม่ได้ ย่อมไม่มีความสามารถจะขนขวายตามที่เป็นของของตนเป็นต้นได้ถ้ามองถึงในเรื่องของสรียะสลีระยนหมายความถึงกระแสชีวิตสรีระยนที่ประกอบไปด้วยธาตุ่ขันหาเนี่ยเว้นชีวิตก็ย่อมไม่งามและไม่สามารถปฏิบัติกิจในกริยาทั้งหลายของตนได้และอินทรีย์ทั้งหลายมีจักขู่เป็นต้น เว้นวิญญาณเสียแล้วก็ไม่พอที่จะทํากิจในวิสัยของตนเองได้แม้ชั้นใดสัตตินรีวารีนีสัตสสสตินรียสมาธินียเว้นปัญญาเสียแล้วก็ไม่สามารถในการปฏิบัติกิจของตนได้ชั้นนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นปัญญาจึงเป็นใหญ่ในการปฏิบัติการมีการให้การบริจาค ก, การรักษาศีลการบําเพนเน็ญเดชธรรมะ เป็นต้นจนถึงการบำเพ็ญอุเบกขาบารมีแม้แต่ในด้านของเมตตาเนะมตตาถ้าขาดเสียซึ่งปัญญาแล้วเมตตาก็ไปไม่เป็นก็เป็นเมตตาผิดรูปผิดทางไปอย่างนี้เป็นต้นเหมือนทานใช่ไหมถ้าไม่มีปัญญากำกับก็เดินไม่ได้ศีลถ้าไม่มีปัญญากำกับก็ไปไม่เป็นเนคขมมะถ้าไม่มีปัญญากำกับก็หลงทิศหลงทางเป็นต้นเหล่านี้เหมือนกัน ฉะนั้นถ้าพูดถึงในเรื่องของเมตตาที่เราเจริญเมตตาในส่วนของเมตตาบา ร, รมีหรือเมตตาพรหมหารขาดเสียซึ่งปัญญาก็เข้าถึงความบริสุทธิ์หมดจดอย่างนี้เป็นต้นไม่ได้ความบริสุทธิ์แห่งทานแห่งศีลเป็นต้นดําเนินไปไม่ได้เพราะขาดปัญญาเป็นต้นเหล่านี้ฉะนั้นบุคคลที่ผู้มีปัญญาเท่านั้นจึงจะพิจารณาเห็นโทษนีย ของสิ่งทั้งหลายแล้วก็เห็นคุณของสิ่งทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้ได้พอพูดถึงในเรื่องของตัวเมตตาก็มาพูดถึงในเรื่องของคำว่าขันติเนี่ยแหละก็องค์ธรรมเดียวกันก็คือความไม่โกรธก็คือความยอมรับได้ก็คือว่าขันติขันตินี่เป็นอาวุธที่ไม่เบียดเบียนคนดีนะในเพาะความบริบูรณ์ด้วยคุณสมบัติ แล้วก็ขันตินี่แหละกําจัดความโกรธอันเป็นปฏิปักษ์ต่อคุณธรรมอันไม่มีส่วนเหลือเป็นเครื่องประดับของผู้สามารถครอบงามผู้อื่นได้เป็นพระสัมปทาก็คือเป็นกําลังเป็นกําลังของสมณพราหมณ์ทั้งหลายเป็นสายทานดับไฟคือความโกรธหรือโทสะได้เป็นเครื่องชี้ถึงความเกิดแห่งกิตติศัพท์อันงาม เป็นมนและเป็นยาวิเศษระงับพิษคําพูดชั่วของคนทั้งหลายและเป็นปกติของผู้มีปัญญาอย่างยอดเยี่ยมในบรรดาผู้ตั้งอยู่ในสังวรทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นปาติโมกสังวรจนถึงคันติสังวรเป็นดุษสาครเพราะอาศัยความสุขขุมลุ่มลึกเป็นขอบเขตมหาสาครของโทสะแปลว่าอะไรรู้ไหมโทสะเนี่ยไม่สามารถที่จะ ดำดิ่งไปถึงกระแสจิตของบุคคลที่ตั้งอยู่บนคันติเป็นต้นได้เป็นบานประตูด้วยนะสําหรับปิดเป็นบานประตูปิดอะไรนะปิดนรกสัตย์เดาชะานเปรตอสรกายเป็นบานประตูปิดอบายภูมิด้วยเป็นบันไดสําหรับไต่ขึ้นสู่เทวโลกและพรหมโลกเป็นภูมรภูมิรองรับของคุณทั้งปวงนะก็หมายความว่าคุณธรรมทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นศีลคุณสมาธิคุณปัญญาคุณวิมุตติคุณวิมุตติญาณทัศนคุณเนี่ยต้องอาศัยอะไรอาศัยขันตินี่แหละเป็นที่รองรับของคุณเหล่านั้นและเป็นความบริสุทธิ์ทางกายวาจาใจอย่างสูงสุดด้วยถ้าคนไม่มีขันติไม่มีเมตตานี่นะจะเข้าถึงความบริสุทธิ์ทางกายทางวาจาทางใจอย่างสูงสุดไม่ได้ฉะนั้นถ้าพิจารณาถึงขันติสัมปทา ก็ดีพิจารณาถึงตัวเมตตาก็ดีก็ต้องพิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้เดือดร้อนอยู่ในโลกนี้เพราะอะไรเพราะไม่มีคันติสมบัติและเพราะตามประกอบทำอันทําให้เดือดร้อนในโลกหน้าทําอะไรเนาะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้เดือดร้อนในโลกหน้าความไม่มีขันติเพราะคันติไม่มีนะอกุศลกรรมมันชั่วร้ายทั้งหลายก็กําเริบหมดเลยราคะโทสะโมหะทั้งหลายเหล่านี้ก็จะกําเริบเต็มไปหมดก็จะเดือดร้อน มองอย่างหนึ่งก็คือว่าขันติเนี่ยถ้ามองในลักษณะให้เห็นถึงที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาเนี่ยพระพุทธเจ้านั้นทรงสรรเสริญว่าขันติเนี่ยเป็นคุณธรรมที่ประเสริฐสูงสุดสิ่งทั้งปวงที่จะประสบความสําเร็จได้ก็มาจากการที่หมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยสามารถระ ง, งับความกโกรธระ ง, งับ ระงับโทสะเป็นต้นได้เมื่อมีขันติสังขารทั้งหลายทั้งปวงของผู้มีจิตตั้งมั่นเพราะไม่มีความฟุ้งซ่านไปในภายนอกย่อมทนต่อการเพ่งโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์และโดยความทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาเป็นต้นเนี่ยก็หมายความว่าถ้ามีขันติสัมปทานะเป็นฐานรองรับอยู่ในในใจนะจิตใจก็จะมีความตั้งมั่นจิตที่ไม่วันไหวจิต มีทั้งคุณภาพมีทั้งสมรรถภาพมีทั้งความสุขเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือความไม่โกรธคุณภาพนั้นเป็นชื่อของพรหมวิหารด้วยนะเมตตากรุณามุทิตาเป็นต้นคุณภาพนั้นก็เป็นชื่อของความละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปเป็นชื่อของกตัญญูกตเวทีที่อยู่ในใจด้วยสมรรถภาพมีชื่อของขันติบ้างความอดทนเป็นชื่อของสติเป็นชื่อของความเ ก, กล้ากล่ำอาถารส่วนปราโมดปิติปัสสติสุขเนี่ย ฉนั้นจิตเนี่ยต้องได้หนึ่งคุณภาพสองสมรรถภาพคือความเข้มแข็งสมก็คือความสุขฉะนั้นการที่เรามาเจริญฝึกฝ น, พ, น, พ, นพัฒนาเมตตาให้เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อต้องการจะทําให้จิตนั้นอะได้คุณลักษณะทั้งสประการได้ทั้งคุณภาพได้ทั้งสมรรถภาพแล้วก็ได้ทั้งความสุขใช่ไหมเพราะจิตไม่เกิดความสุขแล้วเนี่ยสมาธิตั้งมั่นไม่ได้เมื่อสมาธิตั้งมั่นไม่ได้เนี่ย ก็ไม่สามารถจะเป็นฐานรองรับของปัญญาญาณทั้งหลายที่มาวิจัยแยกแยะอย่างนี้เป็นต้นดังที่ได้กล่าวไว้แล้วฉนั้นวันนี้จะไม่สาธยายหรือจะไม่เจาะลงในรายละเอียดในเรื่องอื่นเพราะมีปัญหาอยู่เยอะที่ยังไม่ได้ตอบก็เลยใช้เวลานี้ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นการตอบ ป, ปัญหาสาหรับพวกเราที่ต้องการอยากจะถามด้วยแล้วก็ปัญหาที่ค้างด้วยเขาบอกว่าถ้าทํางานค้างค้างค้างเนี่ยไม่เป็นมงคลใช่ไ <laughs> ก็กลัวจะเป็นอัปมงคลงั้นก็ตอบให้จบๆไปอาจจะสรุปบ้างเนหรือตอบตรงไหนไม่ชัดเจนก็เป็นหน้าที่ของเจ้าวาดทาหน้าที่ต่อไปเพราะอาตอมาไม่ใช่เจ้าวาดที่ปลอดภัยเยอะ <c oughs> งั้นต่อไปก็โยมคิดปัญหาอะไรก็คิดไว้ในใจอยากจะถามก็ลุกมาถามแล้วก็ให้โยมน้ําเป็นคนอ่านคําถามที่จะถามอาตมาก็จะทําหน้าที่เป็นผู้ตอบ น่าจะตรงประเด็นกับที่โยมอยากจะรู้มากที่สุดเพราะคืนนี้ก็เป็นคืนสุดท้ายวันพรุ่งนี้ก็เป็นกิจกรรมเป็นการปิดก็คงไม่มีอะไรเยอะเท่าไหร่ใช่ไหมอ้าวพร้อมหรือยังพร้อมแล้วก็เชิญเจ้าค่ะอย่างงั้นคําถามแรกเลยนะคะถ า, ถามว่าเรารักษาศีลอยู่กับบ้านนะคะแล้วก็ปฏิบัติบ้บางไม่ปฏิบัติบ้างทําบุญบ้างตามการเวลา ถ้าเราเสียชีวิตจะเป็นอย่างไรเจ้าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพูดคำว่าปฏิบัตินิดนึงนะคือคือเวลาเรามาจัดคอร์สปฏิบัติเนี่ยหรือมาคนส่วนใหญ่เนี่ยไปเข้าใจว่าการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นช่วงช่วงใช่ไหมช่วงนี้ปฏิบัติเช่นเราก็จะคำานึงแค่ว่านั่ง เท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงดํารงสติไว้เฉพาะหน่าคือกรรมาฐานนั่นแหละช่วงนั้นเรียกปฏิบัติพอหลังจากปุ๊บถ้าเราลุกไปพอถึงเวลาปุ๊บว่าช่วงนี้หยุดการปฏิบัติแล้วฟังธรรมก็ไม่เรียกปฏิบัติด้วยเนี่ยไปเข้าห้องน้ําก็ไม่เรียกว่าปฏิบัติไปกินข้าวก็ไม่เรียกปฏิบัติหรือว่าเดินกลับไป ที่ห้องพักก็ไม่เรียกปฏิบัติตอนนอนก็ไม่เรียกว่าปฏิบัติเราจะมีการปฏิบัติกันเป็นช่วงๆเป็นระยะเวลาเราคิดกันอย่างนั้ น, น, นจึงมีความรู้สึกว่าถ้าอยู่บ้านเนี่ยก็คือไม่เรียกว่าปฏิบัติทีนี้การปฏิบัติเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยการปฏิบัติในความหมายนั้นโดยอัฏถาก็คือว่าการทำศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น การทำศีลสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพ่บูรยิ่งยิ่งขึ้นไปนะี่เขาเรียกว่าปฏิบัติทีนี้การทำศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทำศีลสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพ่บู์เนี่ยมันทำตอนไหนอ่ะต้องทำตอนช่วงนั่งหลับตาเท่า น, นั้นใช่หรือไม่ใช่ทำช่วงไหนไอ้เวลาเราไปเขียนเวลาไว้อย่างเงี้ยเวลานี้ปฏิบัติเวลานี้ไม่ปฏิบัติเนี่ยไปเขียนแบบเนี้ยมันก็พลอยพาให้พระงงเลยที่แล้อย่างหนึ่งนะะ ก็ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอ่างทองเนี่ยเวลาคนเข้ามากลายเป็นนักปฏิบัติหมดเลยเอามาอยู่ที่วัดกลางนะไม่ได้เขียนว่าปฏิบัติเออแล้วก็ทีนี้ก็เลยมีอย่างวัดกลางมีสองช่วงสองสองส่วนส่วนหนึ่งก็าเรียกสวนป่าปฏิบัติธรรมมีส่วนหนึ่งเรียกว่าวัดกลางเขาไปเขียนป้ายว่าอย่างนั้นแล้วพระก็ไปอยู่สองสองส่วนเวลาไปบินธบาตมีปัญหาทันที ยอมจะถามว่าท่านอยู่อยู่ที่ไหนว่าอยู่วัดกลางเขาก็ใส่น้อยๆ <c oughs> ใครอยู่สวนป่าปฏิบัติธรรมเขาก็ใส่ให้เยอะกว่า <c oughs> เป็นแบบนี้จริงๆไอ้ Ա ยี่ห้อนี่มันมีผลผลมากเลยฉะนั้นไปเขียนไปเขียนป้ายก็ไว้ว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมนาน า, นาชาติอ่างทองเนี่ยโอ้โหขังมากเลย <c oughs> ใครเข้ามากลายเป็นนักปฏิบัติหมด <c oughs> ทั้งๆที่เครียดก็มีนะบางคนเนี่ยใช่ไหมเออเป็นแบบนี้ เนี่ยเราไปติ ด, ตดยี่ห้อตรงนี้ลกลายเป็นปัญหาเลยจะมาตอบถูกเดี๋ยวตรงนี้ก็คือว่าค่าทําศีลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นนั่นการปฏิบัติระดับศีลเกิดแล้วพฤติกรรมทางกายทางวาจาอาชีพที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามเพื่อจุดหมายเพื่อปราโมดปีติปสัสสธิสุขและสมาธิและปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงนะั่นถึงเรียกว่าศีลที่ถูกต้องไม่ใช่ศีลเพื่ออย่างอื่นเช่น ยอมมานุ่งขาวห่มขาวเพราะไปบนไว้ไหมอ ด, ดูบอกว่าเนี่ยต้องไปนุ่งขาวห่มขาวห้าวันนะถึงจะถึงจะโชคดี น, นกยอมก็มาใช่ไหมการรักษาศีลแบบนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการรักษาศีลไม่ตรงจุดหมายของอริยาการศีลไม่เป็นอป a รมัตถศีลเป็นศีลที่มีตันหาและทิฏฐิจับฉวยหรือรูปคำอยู่หรือเกิดร่วมอยู่ ก็แปเป็นการรักษาศีลที่ไม่เข้าใจตรงจุดหมายเป้าหมายของพุทธประสงค์ที่แท้จริงเป็นการรักษาศีลยังมีความเห็นเข้ามาแอบแฝงคุมเครืออยู่ทำให้มันหลุดออกจากมัชิมาปฏิปทา อ, อย่างนี้ไม่นับถ้าอย่างนี้เห็นไหมว่าการปฏิบัติระดับศีลก็ยังมีปัญหาอยู่ ทีนี้ถ้าทําศีลให้เกิดขึ้นจริงๆก็คือทั้งเจตนาศีลเจศิกศีลทาศีระนาจให้เกิดขึ้นปิดบาปทําพฤติกรรมทางกายทางวาจาและอาชีพไม่ให้เกลื่อนกลน่นไม่วิปริตผิดเพี้ยนด้วยความเป็นผู้ทุศีลแล้วศีนั้นเป็นฐานรองรับคุณธรรมเบื้องสูงคือสมาธิและปัญญาเป็นต้นเนี่ยถ้ารักษาศีลในลักษณะศีลกําลังเกิดขึ้นอย่างนี้จริงๆอย่างนี้เขาเรียกว่าการปฏิบัติกําลังดําเนินเป็นไปอยู่ ถ้ากลุ่มสมาธิก็คือกลุ่มไหนะกลุ่มศรัทธากลุ่มวิริยะกลุ่มสตินะกลุ่มสมาธิเนี่ยเกิดขึ้นมีความเพียรที่สร้างสารรค์มีสติกําหนดจดจอมีความตั้งมั่นแห่งจิตเกิดขึ้นมีทั้งคุณภาพสมรรถภาพและความสุขเกิดขึ้นนี่วรารธรรมไม่ก้มรุ ม, มใจเลยในขณะนั้นอย่างนั้นก็เรียกว่าการปฏิบัติกําลังดําเนินเป็นไปอยู่ถ้าปัญญาเกิดขึ้นก็คือละความเห็นผิดไหม ละความเห็นผิดแล้วก็เข้าหาสัมมาทิฏฐิคืออะไรก็คือว่ารู้จักมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิรู้จักสัมมาทิฏฐิว่าเป็นสัมมาชิตฐิความรู้ของเธอจึงจะเรียกว่าสัมมาทิฏฐิใช่ไหมและมีสติในการที่จะละมิจฉาทิฏฐิเพื่อจะเข้าถึงสัมมาทิฏฐิสตินั้นจึงจะเรียกสัมมาสติ เพียรพยายามในการที่จะละมิจฉาทิฐิเพียรพยายามในการที่จะเข้าถึงสัมมาทิฐิความเพียรนั้นจึงจะเรียกว่าสัมมาวายมะใช้สัมมาทิฐิสัมมาสติแล้วก็สัมมาวายมะแวดล้อมสัมมาทิฐิไว้ปิดกั้นไม่ให้มิจฉาทิฐิไหลเข้าสู่กระแสของความคิดการกระทำในลักษณะอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นปัญญาที่ สร้างสรรค์จริงๆใช่ไหมที่จะการบาปบังคันได้สรุปก็คือว่าปฏิบัติเนี่ยคืออย่างนี้พฤติกรรมทางกายบาปประกรรมทางกายก็ไม่เข้าไม่เข้ากุ้มรุมกายยโสจริตย์วจีทุจริตแล้วก็อาชีพที่ผิดพลาดมโนทุจริตไม่เข้าทางด้านจิตใจก็บนิวรธรรมไม่กุ้มรุมทางด้านทัศน์ความเห็นวิชาทิฏฐิก็ไม่กุ้มรุมเดินศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้ได้กรณีอย่างนี้คือการปฏิบั ต, บติดําเนินเป็นไปอยู่แต่ถ้าหลุด ออกจากตรงนี้เมื่อไหร่กิเลสก้มลุมถึงแม้ให้นั่งสมาธิอยู่ก็ไม่เรียกว่าปฏิบัติเนี่ยยอมนั่งอย่างนี้นั่ ง, งตัวตรงไปเลยนะแต่ตอนนั้นใจมันปึดปืดปืดปืดอยู่เนี่ยมีกิเลสลุมเลวอยู่อย่างนี้ไม่เรียกว่าปฏิบัติแปลว่าตอนนั้นจะหยุดปฏิบัติเวลาใดที่กุศลเกิดขึ้นและดําเนินไปตามมัชฌิมาปฏิปทาเขาเรียกว่าปฏิบัติทีนี้ประเด็นก็คือว่าอยู่ที่บ้านรักษาศีลบ้างแล้วก็ เนี่ยก็ them, pues, ต้องดูบอ ก, บอกว่าเข้าใจถูกต้องไหมไม่ว่าบ้านไม่ว่าวั ด, ววดหรือไม่ว่าหน้าที่ไหนถ้ามีความเข้าใจอย่างถูกต้องและเดินศีลสมาธิปัญญาได้จริงๆการปฏิบัติดําเนินไปจริงจริงท่านนี้ก็ถูกอยู่วัดถ้าไม่เข้าใจก็ไม่ถูกอยู่บ้านไม่เข้าใจก็ไม่ถูกอยู่บ้านเข้าใจก็ถูกอยู่วัดเข้าใจก็ถูกพอจะชัดไหมเจ้าค่ะอ้าวว่าต่อค ท่านนี้ดังคะเนี่ยสองค่ะทนี้ถามว่าถ้าคนที่เขาป่วยอยู่เจ้าค่ะเจ็บป่วยอยู่ไม่สามารถบอกลูกหลานได้แต่จิตดวงสุดท้ายของเขาเนี่ยมีความห่วงในสิ่งต่างๆอยู่เจ้าค่ะผู้ดูแลเนี่ยควรจะทำอย่างไรดีเจ้าค่ะ เออเรื่องคนป่วยเนี่ยคืออย่างเงี้ยมามีประสบาการณ์อยู่กับคนป่วยแล้วตัวเองก็ป่วยทุกวันเนี่ยเลยมีประสบาการณ์มากเรื่องการอยู่เมื่อสักครู่เนี่ยก็โทรศัพท์ก็มีลูกเสดคนหนึ่งก็เป็นมะเร็งก็อาการก็กระโทตฉันก็บอกว่าทางภรรยาเขาก็บอกว่านี้ก็เปิดสปิกโพนแล้วก็ให้มาคุยกับคนป่ว ย, ม า, ยามาเขาบอกว่า คือคนป่วยก็พูดพูดไม่ค่อยได้เป็นระยะค่อนข้างก็ค่อนข้างค่อนข้างเยอะแล้วแต่ก็พูดยังพูดได้อามาก็บอกก็เป็นลูกศิษย์ที่เคยขับรถเกิอะไรม า, ามาก็บอกว่าเนี่ยเคยบอกตลอดไหมว่าไอ้ความตายเนี่ย ความตายถ้าพูดถึงในเรื่องของบรณานุสติในสพัพพตะกาก ร, รมฐานในรักกรรมฐานเนี่ยความตายเนี่ยมีอยู่ตลอดทุกๆขณะเชื่อในขณะที่เราหายใจเข้าและหายใจออกเนี่ยสัตว์โลกเนี่ยเปลี่ยนพบกันเนี่ยชีวิตติลเลียบ ป, ปเฉท่าบารณะการขาดลงของรูปรชีวิตและนามชีวิตเนี่ย เ น, น, นื้อธรรมชาติหนึ่งนะี่ทุกลมหายใจเข้าแล้วทุกลมหายใจออกของเราที่กําลังหายใจเข้าหายใจออกเนะี่ยสัตว์ตายนับไม่ได้ที่เปลี่ยนพบกันรูบลับรูบลับเนี่ยมันหน้าหวาดเสียวขนาดนั้นและกระแสชีวิตของเราซึ่งเป็นขันห้าเล็กๆเนี่ยเป็นอนูเล็กๆของขันห้าที่ เ, เกิดดับสืบต่อมันจะขาดลงเมื่อไหร่ก็ได้โลกปรชีวิตและนามประชีวิตเนี่ยมันจะขาดก็คือจะตายแล้วก็เปลี่ยนพบเมื่อไหร่ก็ได้ได้ทุกเวลา ฉะนั้นเวลาสอนอย่างอุกฤษท่านจึงบอกว่าเรามีชีวิตชั่วลมหายใจเข้าและลมหายใจออกดีจริงหนอที่เราไม่ตายไปซะก่อนฉะนั้นควรมนานสิ ก, การถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าไว้คือให้ชื่นใจทันทีนะว่าเนี่ยตอนเนี้ยว่าเราเราที่ยังไม่ตายไปก่อนที่ใจเรายังผูกพันกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยเพราะความตายเนี่ยมันไม่มีนิมิตเครื่องหมายเลย กลางวันกลางคืนก็ไม่รู้นิมิตเครื่องหมายใดๆมาบ่งบอกก็ไม่ทราบจะตายเวลาเย็ น, เ ว, เ, นเวลาเช้าจะตายในบ้านนอกบ้านตายแล้วจะไปไหนไม่รู้หมดเลยเห็นไหมหลักการจริงๆในหลักกฎเกณฑ์การพิจารณาเนี่ยแต่เราก็นั่นพอพิจารณาอย่างเนี้ยเวลาจะอยู่กับคนป่วยก็ดีอะไรก็ดีก็ต้องบอกว่าเนี่ยเราอยู่ในสนามรบจริงๆนะยิ่งคนที่เกิดโรคภัยหนักๆเนี่ยมันถูกยิงเรียบร้อยแล้ว อมาตอนป่วยหนักไปนอนที่โรงพยาบาลจุฬาตอนนั้นไปรออยู่เนี่ยรอที่ค้ายอยู่ห้องไอซอ่ะแล้วเขาก็จะที่หนักๆก็จะมาปั๊มหัวใจใช่มทีนี้เขาก็จะเข็นมาอามาก็จะลองที่หนึ่งที่สองอย่เงี้ย เ, เขาจะเข้า <laughs> ทีนี้มันก็อาการดีขึ้นมานิดนึงเขาก็แทกองค์อื่นมาแทนเป็นพระทั้งนั้นเนี่ยมี อ, องค์นึง ตอนนั้นอนมาก็รอจ้องจ้องจ้องโอ้จะถึงได้ยินแค่เขาก็ปพ๊มหัวใจเนะี่ยอีกองค์หนึ่งเขาเข็นมาเขาเข็นมาองค์นั้นนะท่านอ้วนตัวอ้วนนะท่านก็นอนก็พูดไม่ได้แล้วก็เตียงก็ติดเจออาตมาท่านก็มองมองมองมือก็กวักที่อาตมาคือสื่อได้ว่าช่วยผมด้วยที่ อ, ม า, ม, าอมาก็พูดยังได้อยู่แต่ว่าก็ลุกไม่ไหวตัวบวมหมดแล้ว อามาก็ตัวบวมหมดแล้วดูในกระจกนี่อมาตกใจตัวเองเะเหมือนเปลดิดเหมือนอะไรเหมื อ, นอหน้าตาทุกน่าเกลียดอามาก็หันไปอามาก็บอกอามาก็บอกกันที่ตอนนี้เราอยู่ในสนามรบโดนยิงแย่แล้วอามาวอกนี่แย่แล้วอามาก็จะแค่พูดได้ใช่ไหมคืนนี้ท่านเจอก่อนผมแนะ่ เพราะเมื่อคืนเนี่ยหมอก็มาปั๊มแล้วก็ตายไปแล้วที่แรกจะเป็นผมนี่ท่านนักกว่ผมเดี๋ยวผมจะตามไปรองไม่มีปัญหาแต่ผม ก, ก็เลยบอกว่าเนี่ยตามธรรมดาเนี่ยเราเป็นนักบวชเนี่ยหลักการก็คืออันบนัณฑิตทั้งหลายเนี่ยแม้จะทุกเจียนตายก็ไม่ทิ้งธรรมะใช่ไหมต้องไม่ทิ้งศีลไม่ทิ้งสมาธิไม่ทิ้งปัญญาจะพูดอย่างนี้ก็ไม่เข้าใจนะ อย่าทิ้งพระ Rathana าาใจให้ผูกพันกับพระพุทเจ้าก็วไว้ให้นึกถึงพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าบอกว่าแม้เนื้อและเลือดจะเหือดแห้งหายไปจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีที่บอกว่าที่ท่านพูดถึงในเรื่องของการที่บอกว่ามารมากซิปว่ามหาวโรธท่านจะเพียนไปทําไมโอกาสที่จะบรรลุได้บรรลุ ได้ด้วยความเพียนเนี่ยมันเป็นมันยากมันเป็นไปได้ยากแต่โอกาสตายเนี่ยมันมีสูงฉะนั้นท่านเลิกความเพียนเถอพะพอะพุทธตอนนั้นพระหมหาบวดดบอกยังไงดูก่อนมารผู้มีบาปท่านจะมาเกลี้ยกล่อมเราทําไมว่างั้นเถอะตอนนั้นมารมาเกลี้ยกล่อมให้ไปกลับไปบริภโภคการมาคุณเธอใช่ไหมให้ไปให้ทานไป ให้ไปบูชายันอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยท่านก็บอกว่าทำไมท่านจึงไม่ไปบอกกับคนที่เขาต้องการบุญคนที่ต้องการบุญก็คือต้องการเกิดคนเช่นท่านเนี่ยไม่ต้องการบุญแล้วท่านต้องการที่จะดับใช่ไหมต้องการจะละทั้งบุญและบาปเนี่ยแล้วท่านก็บอกว่าลมเนี่ยสามารถที่จะพัดแม่น้าในมหาสมุทรให้แห้งได้แต่ไม่สามารถ พัดเลือดในกระแสกายของของท่านเนี่ยให้เหือดแห้งไปได้ถึงแม้ลมนั้นจะพัดหมุนลมในกายเนี่ยพัดหมุนจนเลือดในกายมันเหือดแห้งหายไปเนี่ยแต่ฟังนเธอจนเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกแต่ใจของท่านก็ไม่หวั่นไหวศรัทธายิ่งตั้งมั่นตะบะยิ่งกกแกล้วแกล้าแกล้วกล้าจิตยิ่งผ่องใส ปัญญายิ่งสะอาดดูก่อนมานท่านจงดูบุคคลเช่นเราว่าเราเนี่ยจะต้องเป็นสัตว์สะอาดให้ได้ในอัตภาพนี้ท่านจงดูเรามานอยู่ไม่ได้วิ่งวิ่งหนีไปแล้วคือประเด็นก็อยู่ตรงไหนดูตรงว่าฉะนั้นเวลาเราอยู่ในสถานการณ์ที่เจ็บป่วยเนี่ยสิ่งที่เราควรกายมันป่วยใจต้องไม่ป่วย โรคก็ดีอุปสรรคก็ดีอะ่ะมันไม่สามารถที่จะไปไปกระทาใจเราได้หรอกเพราะใจมันเป็นนามธรรมาเราต่างหากเป็นผู้ทำใจเราเองให้มันทุกข์หรือให้มันสุขโรคทุกโรคหรือว่าอุปสรรคทุกอุปสรรคฮนะมันไปสามารถเข้าไปแทงที่ใจเราได้ไหมไม่ได้เอามีดแทงที่กายได้เอาไฟเผากายนี่ได้ ทำยังไงได้หมดนะกายเพราะเป็นรูปธรรมนี่แต่ใจเป็นนามธรรมเป็นแทงถูกที่ไหนแล้วฉะนั้นกายป่วยใจก็อย่าไปป่วยสิใช่ไหมกายกระสรับกระสายใจก็ต้องเข้มแข็งตั้งมั่นเอาทำยังไงล่ะกายถึงจะไม่ป่วยเออขอไปกายมันป่วยเป็นนิดอยู่แล้วกายมันกระสรับกระสายเป็นนิดอยู่แล้วแต่ใจต้องเข้มแข็งใจต้องมั่นคงใจก็ยึดโยงกับพระรัตนาตรัยไว้แล้วบอกว่า เรามอบกายถวายชีวิตใช่ไหมกระแสคือขันห้านี่แลราถวายแต่พระราตรายได้ยัง lacked. เาถ้าถวายแล้วก็ไม่เห็นต้องกลัวเลยฉะนั้นเราถามว่าเราดูแลคนป่วยเนี่ยถ้าคนป่วยเนี่ยเขายังห่วงยากกางังกังอะไรกังวลใดๆก็ต้องถามบอกว่าไม่ห่วงอะไรกายที่คนยึดถือไว้คน่ยคนยังเอาไปไม่ได้เลยทุกอย่างที่คนเกี่ยวข้องเนี่ยของชั่วคราวหมดลูกชั่วคราว ภรรยาชั่วคราวสามีชั่วคราวสมบัติชั่วคราวใช่ไหมละ่ะทุกอย่างที่เกี่ยวข้องชั่วคราวแต่บุญและบาปที่มาเกี่ยวข้องกันเนี่ยอันนี้ไม่ชั่วคราวนะถ้าสุจริตกรรมหรือกุศลที่มาเกี่ยวข้องกันและทํากุศลกุศลมันก็ตามส่งเสริมถ้าทําทุจริตกรรมไอ้ทุจริตกรรมก็ตามเบียดเบียนใช่ไหมอย่างนี้ไม่เรียกว่าชั่วคราวฉะนั้น ถึงแม้เราจะทุกเกียนตายยังไงก็กอดเลยนะกอดเมตตากอดศีลกอดสมาธิกอดปัญญากอดศรัทธาไว้ให้มีศรัทธาที่มั่นคงในพระรัตนตรัยไว้ให้มีความเพียรเนี่ยต้องรักษาความเพียรไว้ความเกล้ากล้าอาหารต้องรักษาสติไว้ต้องรักษาสมาธิรักษาปัญญาไว้ถึงแม้จะทุกเกียนตายแต่จะไม่ทิ้งอินทรีย์ห้านี้จะไม่ทิ้งศรัทธาเป็นต้นใช่ไหม เหมือนใครเหมือนทหารไงทหารกล้าเขาอยู่ในสนามรบเขาไม่ทิ้งธงชัยเฉลิมพลนะเขาไม่ทิ้งธงชัยหรอกเขายอมตายใช่ไหมถ้าหากว่าแพ้แล้วมีชีวิตอยู่จะประเสริฐอะไรนี่เหมือนกันเรารักษาศีลรักษาสมาธิรักษาปัญญาไว้ถึงแม้จะตายเราจะตายไปกับศีลสมาธิปัญญานี่แหละ เราจะตายกับไปกับศรัทธาตายไปกับพระรัตนตรยัยเราจะยึดยงพระรัตนตรัยไว้เราแนะนําเขาอย่างนี้ให้เกิดความเกล้ากล้าให้เกิดความอาถานถ้าเรารักษากุศลเขาไว้ใช่ไหมกุศลความดีเรื่องนี้ไว้ไอ้ความตายเป็นเรื่องปกติเชื่อไหมว่าสมมุติความตายมาประหัดประหารโยมในขณะนี้ยมรีบสมาทานอุโบสถศีลยอมจะเป็นจักระพัทก็ได้ ไม่เห็นอยู่ตรงนี้มันกระจกนี่ตายได้ก็ดีใช่ไหมเอาถ้าจะตายให้มาก็สมาทานอุโบสถศีลนี่สมาทานศีลสิบก็ยังได้นี่มันยิ่งใหญ่นี่ศีล ส, สิบเนี่ยหรือศีลอุโบสถเนี่ยทัพบของเท้าสากะาร้อนเลยนะคนที่เหมือนอย่างพระโพธิสัตว์เนี่ยมีอยู่อัตภาพหนึ่งจำได้ไหมที่บอกว่าตอนนั้นท่านบริจาคทาน ตั้งลงทานเป็นยอดยอดเนี่ยเป็น16กิโลเมตรเลยบริจาคบริจาคอยู่นั่นแหละแล้วก็ไปไปมามาเท้าสากัดเนี่ยบรรลังร้อนเลยนึกโอ้ตายแล้วซวยแล้งานนี้ไอเจ้านี้ตายขึ้นมาแล้วบุญกูน้อยไอบุญเราน้อยกว่าไอเจ้านี้ต้องมาเป็นเท้าสากาัดแน่นอนใช่ไหมก็เลยอยากอย่างนั้นเลยขวางเลยก็เลยใช้ฤทธิ์ของท่านนะ่ะ อธิษฐานด้วยฤทธิ์ให้สมบัติของเศรษฐีที่เป็นโู้บริษัทเนี่ยเกลี้ยงหมดเลยบริวารก็หายหมดคือในเรือนเนี่ยไม่มีเลยและไม่มีสมบัติแล้วเหลือภรรยาภรรยาก็เลยมาบอกว่าพี่อพ่อตอนเนี้วันพวกนี้ไม่มีอะไรแจกเขาแล้วหมดแล้วก็บอกให้มีให้ภรรยาไปดูใหม่สิก็ไปดูบอกไม่เจอเอาไปอีกรอบนึงไปในเรือนคลังหมดไปได้อะไรมารู้ไหม ได้ไม่คานมาอันได้เชือกมาสองเส้นก็บอกนี่ไงอุปกรณ์ที่จะไปหาทรัพย์มาแจกวันพรุ่งนี้พาจูงแขนภรรยาไปเลยไปเกี่ยวไอ้ไปเกี่ยวหญ้าเกี่ยวหญ้าได้เป็นฟ่อนฟอนเบ็ดเสร็จก็หาบหาบเอาไปขายพอได้เงินมาแล้วกะว่าไอ้ฟ่อนนึงเนี่ยแจกเหลือนึงเอาไว้กินอาหารเพราเมื่อกฏคนต้องการมันเยอะก็ต้องแจกทั้งหมดก็กลับมาเกี่ยวใหม่อยู่เงี้ย ทำไปทํามาเล่นหลายรอบเท่านี้เหนื่อยแล้วนะข้านะข้าก็เป็นลมไงหมดแรงก็ล้มลงใช่ไหมท้าสกะลอยจังหวะอยู่ก็เลยมาล อ, อยอยู่ตรงหน้าท่านก็เช็ดเช็ดหน้าเอ๊ะอะไรมาลอยลอยหน้าขาวขาวก็เลยเอ๊ะใครท่านพุ่มมีหน้าขาวเนี่ยยิ่มารลอยอยู่ตรงนี้ก็บอ ก, อ, อกท้าสกะก็บอกเออท่านมาทําไมก็มาตําหนิบอกว่าท่านให้ทานเกินกว่าเหตุก็เรียกให้ทานแบบ เกินไปไม่คานึงถึงเมียไม่คานึงถึงบริวารให้จนน่าเกลียดว่างั้นเธอท่านไม่ควรให้ถึงขนาดนี้ท่านเช็ดหน้าเสร็จท่านก็ชี้หน้าว่าท่านเป็นใครบอกว่าเป็นเท้าสกะถามบอกว่าการเป็นเท้าส ก, กะเป็นได้เพราะด้วยอะไรเป็นด้วยทานศีลใช่ไหมภาวนาใช่ั้ยแล้วท่านมาปิดช่องทางปิดช่องทางหรือทางเดินของความเป็นอริยะเนี่ย การกระทำของท่านสมควรหรือไม่ตกใจเลยท้าวสกา่าท้าวสก่าก็ถามาถามหน่อยเธอว่าที่ท่านทําให้ทานรักษาศีลขนาดนี้ท่านหวังอะไรพระปทิศก็เลยบอกว่าไม่ได้หวังมนุษย์สมบัตินะจักรพรรดิสมบัติก็ไม่ได้หวังสักกะสมบัติก็ไม่ได้หวังชื่นใจไหมพรหมสมบัติ สาวกบรมยานปเจพุิยานแต่สิ่งที่หวังคือสัมมาสัมพธิยานเท้าสกกะโอ้โหโล่งเ ล, เลยเลยช่วยสนับสนุนเนี่ยเห็นไหมเนะี่ยพูดตรงนี้ให้ฟังว่าจริงๆก็คือว่าอุโบสถหรือศีลเนี่ยถ้าเราตายพร้อมกันกับศีล น, น, นะข้าก็าควใกล้จะตายนะถ้ายมใกล้จะตายยมสมาทานศีลสิบเลยเนะเอามาไปบอกหลายคนลนะใกล้ทำตาพระงาพระงาจะตายเนี่ยเอามาบอกว่าให้ละทั้งหมด พอสละทั้งหมดเบ็ยดเสร็จปุ๊บให้สมาทา น, นศีลสิบเลยแล้วมาก็บอกบอกบอกว่าดีบอ ก, บอ ก, บอกยอมปลอดภัยแล้วยอมได้อริยทรัพย์แล้วยิ่งใหญ่ยอมจะน้อมใจไปเพื่อจะเป็นอะไรก็ได้เขาก็ตื่นเตืองให้ทิ้งทั้งหมดยังไงก็ต้องทิ้งอยู่แล้วจอมะก็ทิ้งให้มีท่ามีทางหน่อยมีสติสมัมปชัญญะในการทิ้งหน่อแค่นี้เองอย่าไปห่วงอะไรอา้าวไปห่วงเมียห่วงลูกไปห่วงอะไรของชั่วข่าวเราไปหาเมียใหม่ดีกว่านี้ตั้งเยอะ เป็นห่วงใช่ไหมสมบัติที่ยิ่งใหญ่จะเอาไงก็ได้นี่ถ้าหมายความว่าอยากจะได้ประเภทเล่นกับพบดีๆนะจะเอาขนาดไหนก็ได้มองออกไปแล้วยังมาห่วงอีกคนแก่ๆข้างๆห่วงทำไมขี้บ่นก็ขี้บน่นและสมบัติมีนิดเดียวก็เที่ยวห่วงอยู่นั่นแหละมีคนคนหนึ่งนะเนี่ยพออาการรอแดแล้ว ก, ก็รีบเอาออกจากบ้านไปไปโรงพยาบาลทีนี้พอใกล้จะตาย เขาก็ปัป๊มปแกอุทานออกมาบอกว่าปิดตู้เซฟดีหรือยังตายตอนนั้นน่ยยอมตายตอนนั้นปิดตู้เซฟดีหรือยังยอมคิดว่าจะเป็นอะไรเป็นอะไรนี่ยัยงแย่ยังแย่เลยนะเนี่ยเป็นเป็นมดเป็นหนูเป็นปลวกเป็นจิ้งจกตุ๊กแกก็ได้ใช่ไหมเดี๋ยวเล่าประกอบนิดหนึ่งเรยจะชัดอ่ สามีภรรยารักกันมากสามีเนี่ยเข้าป่าบอกภรรยาว่าเข้าป่าเจ็ดวั น, นไปหาป่าหาผักอ้หาสัตว์ห า, าหาอะไรเนี่ยไอ้ส่วนน้องชายอ่ะมีเรื่องในชาดกน้องชายก็แอบไปมีชู้กับกับพี่สะภ้ยเอาล่ะสินเนี้ยเนี้พอไปมีชู้ขึ้นมาแล้วก็ทำไงต่อผู้หญิงก็เลยบอกว่า ให้ฆ่าให้ฆ่าพี่ชายใช่ก็ไม่กล้าพอไปเกี่ยวข้องกับเขาเขาก็กล่อมกล่อมเรื่อยๆนันก็ใจอ่อนนี่โง่นี่ใช่ไหมหนักเขานักเขาก็ผู้หญิงก็เลยวางแผนพอวางแผนเสร็จก็บอกว่าเตรียมมีดแล้วก็ให้ไปอยู่ที่ท่าน้ําบอกว่าเดี๋ยวจะหลอกไอ้ผัวโง่ๆเนี่ยมันไปที่ท่าน้ําแล้วก็ให้หลบอยู่ตรงนั้นแล้วให้มีดตัดคอเลยนะว่างั้นนะ พอสามีกลับมาเจ็ดวันกลับมาก็อยากจะเกี่ยวข้องกับภรรยาภรรยาวิดตัวเหม็นนี่ไปอาบน้ําก่อนไปพ อ, อกสบู่อะไก็ไปอย่างนี้ก็เชื่อรีบไปความรักเมียเนี่ยนะไปก็รีบไปสระผมก้มลงตรงท่านนะไอ้เจ้าน้องชายก็จ้องอยู่เงี้ยนะก็ใช้มีดฟันปุบคอหลุดเลยตอนนั้นจิตผูกอยู่กับใครผูกกับใครอ่ะผูกกับเมียเงี้ยมาเกิดเป็นอะไรเป็นงู งูเขียวเกิดในท้องงูเขียวทีนี้พอลงูตัวนี้โตขึ้นมามั น, มนจิตมันยังอะไรอยู่มันก็รักคอยจ้องก็โดดใส่เขาเขาจะยินดีไห ม, มกระโดดใส่เขาเงั้นเขาก็มีดฟันต่อปึกไอมันไม่ไปอีกมันยังผูกพันอีกแต่เนี้ยไปเป็นอะไรแต่เนี้ยไปเป็นไปเป็นสุนัขไปเป็นสุนัข เในท้องสุนัขโอ้โหพอ ม, มันโตขึ้นมาเนี่ยมันวิ่งพันแข้งพันขาไปที่ไหนชาวบ้านก็อว่าไงในพันมาแล้วไรเงี้ยนะนักเข้านาเข้าก็ฆ่าหมาอีกตายจากหมามาเกิดในท้องวัวที่บ้านนั้นเลยโอ้โหยังกัพันแข้งพันขาอีกก็จับบัวถ่วงน้าอีกทีนี้ครั้งที่สี่นี้ตายจากนั้นพบมาเกิดในท้องหรือ เพราะเกี่ยวข้องกับ น, น้องน้องชายก็มีเหตุึนการที่จะตั้งครรภ์ก็มาเกิดเป็นลูกอ่ะดูมันมาเนี่ยดูสังสารวัตมา น, นีทีนี้พอคลอดออกมาพอ ม, มันไม่ให้แม่จับเล ย, ยนะี้ยมันลึกได้มันลึกชาติได้นะโอ้มันร้องเย่ยพอจะจับก็ร้องร้องต้องไปฝากตาเลี้ยงตาก็ลีเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงไปพอโตขึ้นมาก็ถามไงทำไมไม่ให้แม่จับบอกไม่ใช่แม่รเรพชฌชาต โอ้โหตรงนี้พอเล่าให้ฟังเอาเพชฌฆาตร้องไห้เลยทั้งตาทั้งาหานน้าเข้าน้าเข้าก็หนีกันเลยเนี่ยหนีไปบวชได้บรรลุทั้งตาและหลานดนะ้วยเนี่ยนี่ไงในสังสารวัฏถ้ามันโผกมันเป็นแบบนี้ยอมผู้หญิงยอมผู้ชายนะอาจจะเคยฟันคอกันมาไม่รู้กี่ชาติก็ได้ใช่ใชไหมล่ะแล้วมีถ้าระลึกได้สงสัยยอมรีบ <laughs> น่ากลัวในเรื่องนี้เออ อามามีประสบการณ์เรื่องพวกนี้เยอะนะแต่แต่เอารีบเดี๋ยวจะไปจบจริงๆมีเรื่องจริงๆจะเล่าให้ฟังเยอะเลยเรื่องแบบเนี้แล้วมาเกิดในพัวพันในตระกูลอามาด้วยนะเรื่องเลืกชาติเอาว่าต่อสงสัยโยคีจะอยากฟังเจ้าค่ะสงสัยโยคีอยากฟังเจ้าค่ะเห็นไหมยอมมั่งอยากฟังอ่าเงั้นเล่าเล่าเรื่องเรื่องลูกของน้องสาว คือลูกของน้องสาวมาเนี่ยน้องสาว ม, มาเนี่ยลูกชายเขามีลูกคนเดียวเรียนเก่งก็ซื้อบ้านอยู่ไม่อยู่ห่างจากวิทยาลัยเนี่ยสักสิบกว่าิบสิบห้ากิโลก็เลยซื้อมอไซค์ให้ลูกรับโอ้โหลักลูกคนนี้มากเรียนเก่งมีอยู่คืนมันก็กลับมักลับมามืดๆหน่อยม ถนนมันโค้งก็แหกโคง้งโตมก็ให้ชนในต่อแกนสมองหักก้านสมองหักโอ้ยโทรมาหามาอยู่โรงพยาบาลพิโรมามาก็อ้าไปพอมาไปเห็นไปดู อ, อามาว่าไม่รอดตาย <c ười> ไม่เหลือมันก็ร้องไห้มันบอกว่าลวงช่วยด้วยทํานองอนี้บอกกูจะช่วยอะไรมันได้พระเจ้าช่วยไม่ได้เลยใช่ไหม จะช่วยได้ไงนี่ตายแน่นอนไม่เกินเจ็ดวันแล้วก็บอกพี่ ฉ, น, ฉนเป็นคนเออมันมีมันมันดูออกนะคนใกล้ตายเนี่ยเ อ, อ็ดูยอมออ ก, กบอกไม่รู้นะ <c oughs> เนี่ยอามาก็บอกตายไม่รอดหรอกก็ทํำยังไงก็ให้ข้อมูลให้เอาธรร ม, มะไปเปิดทิ้งฟังจะได้ไปดีๆแค่นั้นแหละไม่ต้องไปนั่นมันก็ใช้เครื่องช่วยปืดปืดปืดตลอดเวลา มาก็บอกจะสละร่างกายอวัยวะส่วนไหนให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นก็ทําเลยตอนเนี้ยสมองมันตายหมดแล้วก็ร้องไห้ก็รับไม่ได้มันก็พยายามสารพัดนะคนอยากได้ลูกอยู่เนี่ยนะข้าวนะข้าก็ตายพอตายเสร็จแล้วก็ไปทําำเผาอะไรต่างเหล่านี้ก็นั่นทีนี้มันไม่หยุดต่อนี่คู่เนี้ไอ้เจ้านี้ก็ตายไปแล้วก็มาเข้าฝันแม่ก็อีกแตเนี้ย บอกอยากจะมาอยู่กับแม่แล้วนี่เขามาเล่าทีหลังนะถ้าเล่าก่อนเนี่ยมามีวิธีว่าอย่าไปรับมันยังไงไอ้เางนี่มันก็ความรักลูกมันไงก็ ก, ก็ไปไปบอกมาเกิดเธอลูกในรองเขามาเกิดใหม่พอไปในหน่อยก็นั่งรถไปท่าไหนรถกระแทกคันหลุดงลงไปเลยแท้ง แล้วมันก็กลับมาเข้าฝันอีกบอกว่าแม่อุปสรรคมันเยอะถ้าอยากให้หนูไปเกิดนี่ด้วยนี่นะแม่ไปตั้งบายสีที่พระพุทธชินราชเนี่ยวัดพระใหญ่เนี่ยต้องไปตั้งเจดวันนะแม่นะว่างั้นมันบอกบอกรายละเอียดขนาดนั้นนะบอกให้ตั้งเจวันแล้วตั้งจิตอธิษฐานตั้งแบบขนาดใหญ่เลยแล้วก็ให้ไปทาให้ไปสร้างละครั้งให้สร้างะคังที่สูงที่สุดด้วย ว่นว่างั้นอุปสรรคเยอะแล้วเกินทํานองอย่างเงี้ยมันก็ไปทางเจ้าวาดเขาก็ไม่ให้ใช่ไหมใครไปตั้งเขาได้เนี่ยมันก็ไปร้องไห้กันอยู่นั่นแหละต้องผัวต้องเมียจนเจ้าวาดจนเจ้าที่เขาใจอ่อนเพราใจอ่อนเบีเสียก็เอา้าไปตั้งแล้วก็ไปกราบบูชาแล้วก็ไปสร้างละครั้งที่วัดเอ่อวัดอะไรวัดเอ่อข้างๆวัดนั่นแหละเครียดวัดวัดนางพญา ไปขอปลดระครังก็สรงสูงๆเราไปสร้างระครังโลกใหม่ตั้งจิตอธิษฐานแต่นี้เอามาเข้าฝันอีกแล้วมาเข้าฝันบอกว่ามีเหมือนมีเทวดามีอะไรมาบอกบอกว่าเนี่ยมันเป็นห้องใหญ่หมดแล้วมีโรงอยู่ประมาณสองสามร้อยโรงศพนี่นะบอกว่าเองไปชี้ถูกว่าลูกของเองอยู่อยู่อยู่โรงไหนถ้าชี้ถูกอะ ถึงจะมีโอกาสมาเกิดมันก็ไปตั้งกิเลสฐานในความฝันมั น, นเล่าเงี้ยนะแล้วก็ไปเปิดเจอยิงได้เป็นลูกของตนเองแล้วต่อมาก็มาตั้งคันอูมาตั้งคันก็ดีใจพอดีใจตรงเนี้มันถึงโทรมาบอกอามาที่หลังมาบอกสวยแล้วที่บอกสวยนี่เพราะอะไรแล้วรู้คนคนนี้มันทำำํากรรมปณฏิบาติมาเยอะยังพยายามจะเอามาใช่ไหมทําาโวยแย่แล้วเว้ยอย่างเงี้ยเอางี้ ให้สมาทานศีลแปดเนี่ยตลอดก็แล้วกันฟังทำก็ฟังทำสมาทานศีลแปดอะไรเงี่ยเด็กที่มาเกิดเนี่ยลูกที่เกิดเนี่ยกรรมปานาติบัติแรงจัดคนประเภทที่อุบัติเหตุบ้างอะไรบ้างแล้วก็โกครคภัยไข้เจ็บมันก็เยอะตอนที่มันเด็กๆเนี่ยคนประเภทเนี้ยกรรมเบียดเบียนสัตว์รังแกสัตว์หรือปานาติบัติฉะนั้นก็ให้สมาทานศีลแปดก็รักษาสมาทานตอนนั้นะ พอต่อมาครบเก้าเดือนก็คลอดโอยเด็กแข็งแรงชอบฟังธรรมมากันนึก อ, อขอให้มันบาปยังให้ผลมันเถอะโอ้ยพอพอมาเริ่มเริ่ ม, เ ร, มเริ่มพูดได้มันระลึกได้หมดเลยเด็กคนเนี้ยปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่เนี่ยระลึกได้หมดเรื่องความเป็นมายังไงยังไงจําได้หมดและที่แปลกก็คือว่าวันที่คนมาเผามันมันยังรู้หมดเลยใครมาเผามัน จริงๆที่มันเป็นอย่างนั้นเน่ยเพราะอะไรรู้ั้ยตายแล้วมันเกิดแล้วมันเกิดเป็นอมนุษย์เป็นเทวดาหรือเป็นอะไรเนี่ยแหละแล้วมันเห็นมันยังกั ง, กงวลมันเห็นมันมองเห็นหมดเนี่ยก็เล่าทั้งหมดแล้วก็พออยู่มาสี่ขวบแก๊กเป็นมะเร็งเม็ดเลือดระยะแย่ที่สุดด้วยโอ้โหแต่ เ, เนี้ยวิ่งรักษากันสิแต่ เ, เนี้ย ไปรักษาที่โรงพยาบาลพิศณุโลกเนะี่ยแล้วก็เด็กที่เป็นอย่างเงี้ยในชุดของเขาเนะี่ยมีประมาณร5 0ห้าคนนะเป็นมะเร็งเนี่ยเขาก็ต่อสู้รักษาหมดเงินหมดทองนด้วยสารพัดเสู้จนหมดเนื้อหมดตัวความรักลูกเนะี่ยสู้สู้สารพัดหมดแล้วว่างั้นแต่หมดไปไเงินที่ได้จากจากลูกคนก่อนนะ่ได้มาณ8 0ดแสน0 0แสนอะไรก็ได้แต่เนี่ย ก็ทาบุญหมดความอยากจะให้ใหลูกคนนี้มาเกิดแล้วพอได้มาจริงแต่นี้โอ้โหทีนี้รักษากันมาอยู่สี่สามสี่ปีผลปรากฏว่าหายเนี่ยแต่เป็นเด็กแกนแกนตัวเล็กๆในบรรดาร้อยกว่าคน้นนอกนั้นตายหมดเหลือคนเดียวเนี่ยตอนนี้ก็เลยเป็นเคสศึกษาแต่มันไม่ได้หายจริงเลยจริงๆแล้วฉันก็ดูแล้วคงอยู่ไม่นานมนะั้ง ตอนนี้ก็มาบวชพอภาคฤูร้อนก็มาบวชแต่มระลึกไม่ได้แล้วตอนนี้มันโดนีโมเนี่ยโดนคโีโดนอะไรไปจนโอ้ยเนี่ยเล่าให้ฟังว่านี่ไงสังสารวัดเนี่ยมันน่ากลัวอย่างนี้เด็กปัจจุบนันเด็กคนนี้ก็อายุประมาณสิบขวบสบขวบตอนนี้ยังบวชอยู่เดวจะศึกวันปีเดือนหน้าเดือนหน้าบอลวันที่สิบจะกลับไปเรียน แต่พอหลังจากโดนคีโมโดนยาโดนอะไรไปในระ ล, ลึกอะไรไม่ออกแล้วก่อนหน้านั้นรนะ ล, ลึกได้หมดอีกที่เห็นแต่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดอะไรรู้ไหมกับดีที่สุดก็คือว่าไอ้แม่และพ่อเขาเนี่ยโหเห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดเห็นโทษของบาปาน้อมทําบุญกันจริงๆมีอะไรทําหมดเขามีที่เนี่ยเขาบอกลุง ช่วยรับที่ตรงนี้เป็นปฏิบัติธรรมเดิมให้อเจ้าคนนี้ยมันเขาก่อทีให้ลูกเขาแล้วเขาก็มอบที่นี่ให้ฉันก็เลยทําเป็นที่ปฏิบัติปลูกต้นโพแล้วทาเป็นที่ปฏิบัติตลอดท่านอาจารย์เจ้าวาดยังเคยไปเทศใต้ต้นโพนี่ดูแต่มาก็จัดปฏิบทททัติธรรมที่เพชรบูรณ์เนี่ยนั่นแหละเป็นที่ของไอ้เจ้าเด็กคนเนี้ไอ้เด็กคนที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดนี่แหละต่อเม็ดเลือดขาว นี่ชี้เห็นว่านังไงตัวมันมันสังสารวัตเนี่ยการเวียนไหวาตายเกิดเป็นลักษณะแบบนี้แต่ว่าการเวียนไหวาตายเกิดที่บอกว่ามันไม่ใช่มันเป็นดวงดวงมันคือจริงๆกระแสชีวิตมันเกิดดับสืบต่ อ, อต่อ <c oughs> <laughs> พอสรุปได้ไหมตรงเนี้ย <c oughs> พอยอมพอจับประเด็นได้ไมั้ยว่าพบชาติเนี่ยเป็นเรื่องปกติ การเปลี่ยนพบเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่เปลี่ยนยังไงให้ดีกว่าเดิมเปลี่ยนยังไงให้ดีถ้ายังไม่ถ้ายังต้องเวียนไหวตายเกิดอยู่แล้วก็ไอของชั่วคราวเนี่ยชั่วคราวจริงๆในพวกเราที่มาทํากิจกรรมกั น, นแว็บเดียวก็เปลี่ยนพบกันแล้เจ้าค่ะผู้ป่วยรายนี้กลับกันนะเจ้าค่ะผู้ป่วยหนักรายเนี้ยใกล้ตาย ร้องขอต่อญาติให้เปิดเสียงพระให้ฟังและญาติก็ได้เหนี่ยวนาจิตเขาอีกว่าให้ใส่บาตรด้วยนะคะใส่บาตรพระด้วยเมื่อผู้ป่วยสิ้นใจมวดทางญาติมัวแต่ยุง่งจึงไม่ได้ไปใส่บาตรให้จริงๆนะคะผู้ป่วยจะได้บุญหรือไม่คำถามนะคะและสภาวะจิตของผู้ป่วยจะเป็นอย่างไรเจ้าคะ่ะอ๋อตรงนี้อามาเล่าเล่าประสบการณ์ตัวเองให้ฟังอตอบประเด็นตรงนี้ด้วยได้ไหม คื อ, อย่างเงี้ยยมพ่อมาเนี่ยตายแล้วยมพ่อมาเป็นมะเร็งมะเร็งต่อมน้ำเหลืองกันอายุแปบเจก่อนหน้านั้นอามาก็จะไปหาบ่อยๆก็จะบอกตอนนั้นท่านสุบุรีก็บอกว่ายมพ่ อ, อ, อลูกๆ ก, ก็บอกให้เลิกสูบเลิกสูบ อ, อาก็บอกว่ายมพ่อไม่ถ้าไปบอกตรงๆไม่ได้ยมพ่อเป็นคนเชื่อมั่นโดยเยซู มาก็บอกว่าไม่เป็นไรแล้วโยมพ่ออยากสูบก็สูบไปเอามาจะสอนคนแบบนี้นะอยากสูบก็สูบถ้าเห็นเป็นโทษก็เลิกเอามาเชื่อมั่นว่าโยมพ่อเนี่ยถึงสูบไปเป็นมะเร็งก็ไม่เป็นไรโยมพ่อทนได้อยู่แล้วเอามาก็พาไปดูไปดูคนที่เป็นมะเร็งกล่องเสียง่ะมะเร็งปอดเห็นนี้ไโยมพ่อเนี่ยพวกนี้ตัดกล่องเสียง แต่ยังมีชีวิตยอยู่เห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวนวี้วิวัฒนาการเขาเจริญนะหมอถ้ายมพ่อจะเป็นมะเร็งกล่องเสียงก็ตัดกล่องเสียงออกก็โอเคอยู่ได้แต่เพียงพูดไม่ได้ถ้าพูดไม่ได้มันมีที่หนึ่งเขาเรียกว่าชมลมพูดไร้กล่องเสียงแห่งประเทศไทยเขาไปฝึกพูดกันก็มีก็พาแกไปดูเองแกก็ไปดูกลับ <c oughs> <c oughs> มาแกบอคงไม่เอาแล้ววั้เรื่องของยมพ่อยมพ่อคิดเองนะพ่อไปบอกแกเนีออ่ยแกถือทิฐินะ แล้วต่อมาแกก็เลยหยุดพอหยุดมามาสักสิบหปีได้เลยต่อมาก็เป็นมะเร็งตอนนั้นเนาะแกแกแกเป็นคนชอบพูดมากเฮ้ยกลัวหรอกตายก็เผาแกพูดทํานองอย่างนั้นแหละเพื่อจริงๆคนแบบเนี้คือพูดเพื่อไม่ต้องการให้ใครมาสอนฉันเนี่ยหลักการก็อย่ามาสอนฉันว่า ง, งั้นเถอะ น, นี่ไปไ ป, ไปมาแกป่วยมาก็ไปไปถึงอะมาก็เอาโอพีดีกามาดู โอยอมพ่อแกก็ดีใจนะเห็นเอามาไปนะเอามาก็ยอมพ่ออย่างนี้ก็จะเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายก็คุยแกธรรมดาเนี่ยอย่างนี้นะยอมพ่อนะถ้ายอมพ่ออายุแปดถ้าไปรักษาเนี่ ย, ยให้คีมโมก็บอกวิธีการต่างๆและที่สุดจริงสุดอย่างอื่นก็สุดไปด้วยแ ล, วแล้วอยู่ไม่กี่เดือนก็ตายแต่ถ้าหากจะรักษาแบบธรรมชาติก็ได้อย่างนี้ก็อาจจะอยู่ประมาณ2อหรือสเดือนเหมือนกันก็ตายเหมือนกัน สรุปแล้วยอมพ่อจะตายแบบทรมานหรือไม่ตายแบบทรมานหลวงพ่อเลือกเอาเออยอมพ่อเลือกเอานะลูกทําให้ทุกอย่างแกเริ่มหน้าไม่ค่อยดีหมอตกใจนะามาพูดกับพ่ออย่างเงี้ยงั้นถ้าใครอยากให้ามาไปเยี่ยมกล้าฟังแบบนี้ไหมเล่ากล้าไหมยอมกล้าใช่ไหมโอ้ไม่ไปแล้วมังพ่อ <laughs> เนี่ยพอคุยอย่างนี้แกก็เริ่มให้ให้ยอมพ่อตัดสินใจนะก็คุยกันธรรมดา ยมพ่อก็ทันใจอยู่บ้านขออยู่บ้านบอกเอา้าอยู่บ้านคืออยู่บ้านนะยมพ่อเนะไม่เปลี่ยนนะยมพ่อคิดใหม่อีกวันหนึ่งก็คิดอยู่บ้าน <c oughs> เขาเอ้าวไม่เป็นไรงั้นเอามาก็หลกไปอยู่ด้วยมาก็ไปบินทบาทไปจัดห้องทำอะไรไเสร็จซื้อเตียงจัดเตียงมาเครื่องช่วยหายใจอะไรต่างเอาพยาบาลเอาหมอมาดูระยะระยะอยู่ไม่ห่างจากโรงพยาบาลแล้วก็ เอาแล้วแต่เนี้ยเริ่มระดมข้อมูลแล้วเริ่มจัดทำเรื่องราวเกี่ยวให้ท่านได้เห็นได้ดูเพราะเริ่มทรมานแล้วก็ให้ข้อมูลตลอดลูกๆและหลานช่วยกันตลอดว่างั้นเดีลูก8ดค น, นดูแลตลอดนวดบางแกก็ร้องโวยไปมาก็อธิบายสารพัดนวดให้แกด้วยไมป้ออาหารทำอย่อยางเงี้ยนะแต่สิ่งที่สาคัญที่สุด ไปไปมามาก็ถามบอกว่ายอมพ่ออยากจะไปเกิดที่ไหนเกก็ถามว่ายมแม่ <laughs> ยอมแม่จะไปเกิดที่ไห น, นยอมแม่เนี่ยใจเะผูกไว้ที่ดาวดึงคือยอมแม่เวลาทาบุญแต่ละครั้งเนี่เ ก, ก๋เคยฝันเห็นเท้าโกสีฝันเห็นเท้าสากัดเนี่ยแกก็ท่านก็ผูกใจไว้าจากจะไปกลับไปเกิดกับเทาาา้าสกัดก็ผูกใจอยู่อย่างเงี้ยก็เลยบอกว่ายอมแม่ผูกใจไว้ที่ดาวดึงงั้นเก๋บอกขอไปตรงนั้นได้ไหม <laughs> บอกเอาทั้งนั้นโอ้โหต้องหาข้อมูลเรื่องดาวพฤหงเนี่ยก็มาบอกแกสารพัแหละวิธีให้น้อมใจยังไงแล้วก็ให้ทานทุกวันนิมนต์พระมาวันละห้าหัวกรงเนี่ยนะมารับทุกวันแล้วก็ให้แกกินอาหารออแล้วก็บอกข้อมูลไปเรื่อยๆนักเข้านักเข้าโอ้โหคนที่เคยทําบาปยอมพ่อทําบาปมาเยอะนี่บางทีแกก็จะร้องช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยจะมีคนมาลากแกอย่างเงี้ยก็ต้องเปลี่ยนนิมิตแกอยู่เรื่อย ไอ้นิมิตไม่ดีอ่ะมันมาตลอดเรานืกว่าโหงานนี้ถ้าเปลี่ยนนิมิตให้โยมพ่อไม่ได้เนี่ยเสียชาติเกิดเลยอุตสาบวชมาแทบตายเข้าใจไหมถ้าถ้าไม่ฉลาดในการเปลี่ยนนิมิตยุ่งเลยนะบางทีแกก็บอกพระช่วยหาอะไรมาทบพ่อให้ตายหน่อยด้วยหมอทําไมทำงั้นและแกบอกเขทรมานมากทรมานทั้งนวดทั้งอะไรแกให้ยาให้อะไรไปเรื่อยแล้วกั น, น นักเข้านักเข้าอะไรรู้ไหมพอใจแกเริ่มนั่นน้อง ม, มันให้ครั้งสุดท้ายคือให้แกสลับที่แรกแกเก็บเงินไว้ให้ลูกๆฉันก็ประชมุมประชุมน้องๆทั้งหมดทุกวันว่าควรพูดกับแกยังไงยังไง ไ, ไม่ให้ใครเอาเงินแกเลยแกเป็นคนเต็ีแกบอกว่าแกจะเอาเงินให้ลูกก็ฉันก็เลยบอกกับพ่อไม่มีใครเอาหรอก พ่อจะเอาทาบุญอะไรก็ทำเถอะทำเองตอนนี้แหละอย่าไปให้คนอื่นทำาอุทิดให้มันไม่มั่นใจหรอกพ่อคิดเองพ่ออยากจะทำอะไรทั้งหมดไม่มีใครเอาสักบาทเลยแกก็คิดโอ้โหแกเก็บแกเป็นคนช่างเก็บแกกลัวจนยพ่อเลยกลัวที่สุดคือจนนี่แหละไปไปมาก็เลยให้เจ้าหน้าที่ธนาคารมาแกก็เซ็นเบิกออกมาทั้งหมด แกบอกทําไม่ทัน dong ง, งั้นก็ให้ฝากโยมแม่แล้วให้ทำแกอยากจะทอดกะทินแกอยากจะทําอะไรต่างๆซ่อมโุโบสถก็ระดมไม่ทําแล้วก็ให้แกคิดอยากจะทําอะไรน้องก็จดจดจดแล้วแกก็สละหมดเลยอยนะ่างนี้ยไม่มีเหลือบอกยมพ่อไม่เหลือแล้วนะไม่เหลือเป็ดเสร็จเอ้าให้สมาทานศีษทั้งหมดหรือเศษสิบที่โยมพึงจะสมาทานได้ แล้วยอมพ่ออยากเกิดที่ดาวดึงใช่ไหมให้น้อมใจก็บอกให้น้อมใจไปบอกว่าสาลาสุธรรมมาเป็นยังไงพระเกตแก้วจุลามณีเป็นยังไงบอกวิธีการทั้งหมดแหละใจก็เริ่มน้อมน้อมให้ทั้งข้อมูลไปเรื่อย ๆ, ๆพอใกล้จะไปตอนนั้นอมาก็อยากจะมาเอาพระาธาตุพระบรมสารีริกธาตุบอกว่ายมพ่อ แกบอกว่าแกจะไม่ไหวบอกอยู่อีกวันได้ไหมเดี๋ยวจะไปพรบรมสารีฤกษ์ธาตุมาแกบอกว่าไม่น่าจะไหวแล้วทีนี้พออีกคืนนั้นนะ่ะก่อนที่แกจะไปนะ่ะแกจะถ่ายนะถ่ายออกหมดเลยตัวแกเหลืองเลยแี่นี่ความกังวลกระวายมันไม่มีแล้วใจเริ่มสงบแล้วทีนี้พอใกล้จะไปเนี่ยผลปรากฏว่าตอนนั้นประมาณสักตีสอง แกบอกมีคนมารับแล้วทุกคนก็ขนลุกกันเใช่ไหมพ่อบอกมีคนมารับแล้วเนี่ยยืนอยู่หน้าต่างนี่เองก็บอกว่างั้นเรียกเขาเข้ามายอมพ่อเข้ามาแล้วก็ยืนอยู่ตรงหน้าเนี่ยตอนนั้นยังนั่งอยู่ถามหน่อยยอมพ่อเขาจะพาไปไหนเพราะน้อมใจจะไปเดาดึงนะถามทีเขาบอกใช่จะมารับไปเดาดึงนี่แหละ ก็คุยแค่นี้เนี่ยเฮ้เราก็ไม่เห็นที่ตาว่ายอมพ่อต่อรองหน่อยทีบอกว่ารอวันพรุ่งนี้เอาบูชาพระธาตุเสร็จแล้วแล้วค่อยมารับไปคนที่มารับบอกว่าไม่ได้ถ้าไม่ไปวันนี้จะไม่ได้ไปก็เลยบอกกันงั้นยอมพ่อได้จังหวะแล้วงั้นค่อยๆนอนแล้วก็บอกเลยนะยมพ่อเนีย ไ, ไปไปอยู่กับเท้าสักกะไป อย่าไปเพลินนะให้ไปฟังทำจากเท้าสกกาเป็นต้นแล้วก็ไหว้พระแก้วเทยวราเมนีงแก้วก็ครับครับครับแล้วก็นอนแล้วก็ไปในไปไปแบบนี้เล ย, <S <S เลยถ้าอย่างเงี้ยพอแก่ใจขาดปุ๊บเนี่ยฝนตกประมาณสองนาทีสามนาทีแล้วก็หยุดนีมิดติดมันอย่างนี้เลยนะ งั้นพอหลังจากแกตายเนี่ยนี่มนพ้าไปดูใครไปดูเขบอกโอ้ปลอดภยัยนอนยิ้มตายอยะโยิ้มถ่ายรูปยิม้มเอาไว้เจ็ดวันวันจะเผาเนี่ยเปิดมาก็ยิ้มอยู่นั่นแหละคนตายยิ้มเนี่ยเห็นแล้วเป็นแบบนี้เองโอ้เงี้ยปลอดภยัยตายยิม้มแกชื่นใจแกแกชื่นใจแกพอเปิด ให้คนดูพระทุกองค์ที่ไปเนี่ยโอ้ปลอดภัยแล้วโยอมปลอดภัยแล้วเอาศพไว้ที่บ้านเนีเจ็ดวันคนมากันเต็มหมดแล้วคนมากันเต็มหมดแล้วได้เงินอีกเยอะแล้วก็โหแกทำแกแกแกเป็นคนช่วยเหลือสักคนไว้เยอะแล้วก็ปัจจัยที่เหลือลูกๆไม่ต้องออกกันสักบาทนคนมาทำปุณก์ก็ช่วยทําปุณก์ และทุกวันนี่นะถึงทุกวันที่สิบสองวกราเนี่ยจัดปฏิบัติอุทิศส่วนกุศลให้แกทุกวันอุทิศส่วนกุศล ใ, ให้ทุกครั้งทุกปีปีละครั้งแล้จัดใหญ่ใหญ่เลยครั้งละห้าวันห้าวันคนไปกันเป็นร้อยแต่วันสุดท้ายคนจะร่วมกันกันทีแจกของคนเป็นพันอุทิศส่วนกุศลให้แกลองดูทําขนาดเนี้ย <laughs> อ, อันนี้เรื่งการชี้เห็นนะยอมว่า ให้เพียรพยายามดูแลกันจริงๆนะถ้าเป็นแม่เป็นพ่อเนี่ยดูแลแล้วมีวิธีการมีวิธีการต้องสอนคนดูแลทั้งหมดเนียน้องนุ่งทั้งหลายให้พูดยังไงต้องวางท่าทีทางใจยังไงบอกแกข้อมูลแกยังไงต้องบอกต้องประชุมกันต้องเหนื่อยเลยฉันนื่อเอามาเหนื่อยสองเดือนนะต้องประชมุมน้องไม่ให้เขาร้องไห้ไม่ให้น้องไม่ให้แม่ทั้งหลายเลยต้องมานั่งร้องไห้คุยกันเรื่องปกติ คุยกันแบบธรรมดาเหมือนว่าไปได้ดีกว่าเดิมเงี้ยคุยกันแบบธรรมดาไม่ต้องไป น, นั่งเศร้าโศกเสียใจอะไรกันเลยคุยเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องปกติธรรมดานี่แหละมาเจอกันชั่วคราวไอ้ตอนมาก็ไม่ได้ไปนัดหมายนัดเจออะไรกันหรอกพอมาเจอกันแล้วมันจะไปก็จากกันมันเข้าทาเข้าทางหน่อยทำได้ไหมยอมแบบเนี้ย <laughs> ศึกษาข้อมูลให้ดีว่านิมิตแบบไหนเป็นกุศลนิมิตอกุศลนิมิตอะไรเงี้ยทกตินิมิตสุขตินิมิตแค่นี้อย่างนี้เป็นต้นไอตอบถูกไหมแบบเนี้ยมาตอบคนละเรื่องเรื่องเดียวกันก็เรื่องเดียวกันค่ะแต่ว่าอันนี้เขาห่วงอยู่เจ้ค่ะเขาห่วงว่าเหมือนกับสัญญาว่าเดี๋ยวจะใส่บาตรให้ไปใส่บาตรอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้ทำเขาเป็นห่วงว่าผู้ตายเนี่ยไม่รู้ว่าจะ รู้สึกอย่างไรหรือคิดอย่างไรสภาวะจิตที่ไม่ได้ใส่บาตรอ๋อไม่ไม่ได้ใส่บาตรให้ค่ะอ๋อคือตายไปแล้วนี่ยยมจริงๆเราก็ควรทําบุญอุทิศให้นี่แหละทุกวันนี่แหละโดยหลักการจริงจริพ่อแม่ปู่ตายยายตายไปแล้วแต่การทําบุญอุทิศให้เนี่ยถามว่าจะได้หรือไม่ได้มีเงื่อนไขทั้งมากมายแต่ถึงไม่ได้ก็ต้องทำเพราะเป็นศีลของเราที่ควรทําถ้าเขาไปตายอยู่ในกติภบที่รู้เห็นการการะทำเขาก็ อนุโมทนาส่วนกุศลนั้นได้ใช่ไหมอันนั้นก็ว่ากันในรายละเอียดมีเยอะเจ้าค่ะคำถามต่อไปเลยนะเจ้าค่ะท่านนี้ถามว่าในขณะที่เรายัางจเจริญเมตตาเนี่ยไม่แก่งก้าและการที่เราจะต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นเพื่อไม่ให้เราเกิดโทสะแรงๆนะคะถ้าเขามาทำอะไรให้เราขัดเคืองใจเนี่ยเราจะใช้วิธีในการท่องไว้ในใจว่าเขาเป็นอย่างนั้นเอง ได้หรือไม่เจ้าค่ะเพราะปัจจุบันใช้วิธีนี้อยู่แล้วเนี่ยก็ระ ง, งับโทสะได้คือคืออย่างนี้ไอ้วิธีการที่ยังไม่เข้าใจและท่องไวเนี่ยมันจะระ ง, งับได้ระ ง, งับได้ในขณะที่เขามีพฤติกรรมแบบเดิ ม, ดมแต่ถ้ามีพฤติกรรมวิปลิตกว่าเดิมเนี่ยทนไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นไ อ, ไอ้กรณีที่เอาแบบวิธีท่องอะ่ะเช่าใจไหมก็อย่าไปคิดอะไรมากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือวิธีการแบบที่เราท่องท่องว่าเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนั้นเนี่ย ไม่พอยมเพราะไอ้คนที่ขี้โกรธก็ดีคนที่มีพฤติกรรมก็ดีมันวิจิตไปเรื่อยตามสถานการณ์ฉะนั้นการที่เราจะต้องพัฒนาตัวองค์ความรู้หรือปัญญาเนี่ยรับหน้าได้ทุกสถานการณ์ไอ้ น, นี้สําคัญที่สุดวิธีการคืออย่างนี้เวลาเราจะเมตตาใครเนี่ยต้องให้เมตตาจริงๆเนี่ยเมตตาอย่างยกตัวอย่างว่า อามายาเมตตาท่านอาจารย์เจ้าวาดก็รักปรารถนาดีเอื้อทอนแล้วก็ ต, ตั้งตั้งความรู้สึกว่าแม้ท่านอาจารย์เนี่ยจะมีพฤติกรรมอย่างไรจะมีพฤติกรรมทางกายอย่างไรพฤติกรรมทางวาจาสภาพจิตใจอย่างไรหรือมีการกระทำใดๆที่วิปริตผิดเพี้ยนไปหรือท่านผู้นี้จะกลับมาโกรธเรามาฆ่าเรามาประทุสร้ายเราเนี่ยแต่เราก็จะไม่ทำความโกรธความเกลียดความมาฆ่าให้เกิดขึ้น แม้ไปเจอในที่ใดในอัตภาพใดก็ขอให้เมตตาจิตเนี่ยเกิดกับกระแสยึดของท่านตัวนี้ตลอดการและตลอดไปเถอะถ้าตั้งหลักอย่างเงี้ยแล้วก็ตั้งให้มันเข้าไปในใจได้จริงๆนะแล้วยอมรับเงื่อนไขในใจที่เราปลดล็อกได้ต้องไม่มีเงื่อนไขต้องเมตตาแบบไม่มีข้อต่อรองไม่มีเงื่อนไขแม้ท่านผู้นั้นจะฆ่าเราก็จะไม่โกรธประทาสะร้ายเราก็จะไม่โกรธด่าเราเราก็จะไม่โกรธ หรือว่า a r วอยไวจะชี้หน้าเราด่ากลางที่ประชุมชนเราก็จะไม่ทำความโกรธให้เกิดขึ้นกล้าที่จะคิดอย่างนี้วางท่าทีทางใจอย่างนี้ถ้ากล้าอย่างเนี้ยเขาแปลว่าเราปรงใจต่อเงื่อนไขทุกกรณีเราเราไม่มีเงื่อนไขที่จะไม่ที่จะใจว่าถ้าแบบแบบนี้เรารับได้นะแต่เกินกว่านี้รับไม่ได้ไม่ปลดล็อกในใจออกต้องตั้งหลักแบบนี้แล้วก็ทาความเข้าใจว่าจะไม่โกรธจริง เนี่ยถ้าตั้งหลักในความรู้สึกอย่างนี้แผ่เมตตาลักษณะอย่างเงี้ยอย่างนี้ได้แต่ถ้ามันยังอ่อนแออยู่ไม่ต้องไปตะโกนบอกเขานะบอกว่าเนี่ยเธอจะเป็นยังไงจะไม่โกรธเลยแต่ว่าตั้งหลักในใจไว้บ่อยๆๆแล้วก็คิดให้เข้าใจจนเกิดตกผลึกว่าจะไม่โกรธจริงๆคือให้รักเท่ากับรักตัวเองให้ได้ังกันเถอะรักตัวเองอย่างไรก็จะให้รักท่านคนนี้อย่างนั้น ไหวไม่ยอมแบบนี้ยไหวไม่ไหวแค่คิดก่อนเนี่ยปรองใจแบบนี้ก่อนได้ไหมการคิดอย่างนี้แปลว่าคุณชนะไปเกินเกินห 0% าสแล้วแล้วคิดบ่อยๆบ่อยๆนะเข้าเนะีเ ข, ข้าใจมันจะมีพลังแล้วปัญญาก็จะเข้ามาทําหน้าที่เมตตาก็จะเริ่มกว้างขวางขึ้นแล้วก่อนจะเริ่มออกจะมีพลังมากขึ้นในตัวเมตตาจะเริ่มมีพลังแล้วก็จะลิ่มแล่นออกได้จริงแต่ถ้าไม่ตั้งหลักอย่างนี้นะมันจะมีเงื่อนไข เกินกว่าเหตุแล้วโว้ยเกินกว่าเหตุแล้วโว้ยนั่นมันจะโกรธเอาเลยทีนี้ให้ตั้งหลักแบบนี้แล้วก็ขยายขยายขอบเขตของเมตตาขยายกําลังของเมตตามีพลังมากขึ้นมากขึ้นไหวไหมยอ ม, มแบบเนี้ไหวไหมไหวไหวไหมควรตั้งกับใครก่อนแต่คนใกล้ชิดนี่แหละต่ อ, อจิ้มค่ะค่ะท่านาาานี้ขอคําแนะนําจาก พระอาจารย์ว่าเราจะใช้พรหมวิหาร4นะคะแบบใดในการดูแลคนในครอบครัวให้เกิดบุญกุศลสูงสุดเจ้าคะคือคือตัวพรหมวิหารเนี่ยจริงๆต้องใช้ทุกข้อนี่แหละเวลาเราเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมในยามที่เขาปกติกรุณากายกรรมกรุณาวจีกรรมกรุณามโนกรรมในยามที่เขาประสบความทุกข์ แล้วก็มุทิตากายกรรมมุทิตาวิจีกรรมมุทิตามโนกรร ม, ม, รรมในยามที่เขาประสบได้ดีมีสุขแล้วก็ส่วนอุเบกขาใช้ในวาระที่จะต้องรักษาธรรมะรักษาหลักการเพื่อต้องเขาทากรรมใดไว้ดีหรือชั่วเขาจะต้องรับผลของการการะทำไอ้ตรงนี้ต้องต้อ ง, ต, องต้องชัดเพราะว่าจะเดินแค่เมตตาอย่างเดียวไม่อยู่เพราะเพราะว่าต้องสลับสลับ สลับตัวพรหมิหารให้ทันต่อสถานการณ์ในยามที่แม่เป็นปกติหรือพ่ออยู่เป็นปกติปู่ตายา ย, ายหรือสามีภรรยาทั้งหลายเป็นปกติเนี่ยก็รักปรารถนาดีเอือ้อทอนพูดกับเขาตั้งเมตตาให้เกิดก่อนยิ่งพูดออกไปจะทำอะไรกับเขาก็ตั้งเมตตาให้เกิดขึ้นก็ผักพฤติกรรมทางกายทำกับเขาในยามที่เขาประสบความทุกข์ก็ตั้งก ร, รุณาจิต แล้วก็ต้องระวังไม่ให้โทมนัทมันเข้าเข้าเข้าเกิดกล้วนเปฏิบัติกับเขาด้วยพูดกับเขาด้วยกรุณาให้ข้อมูลเขาอย่างไรทํากับเขาด้วยกรุณาคิดกับเขาด้วยกรุณาในยามที่เขาได้ดีมีสุขก็มุทิตาออกเดินอย่างนี้เป็นต้นถ้าฝึกแบบนี้หรือว่าเดินพรหมวิหารให้เป็นต่อให้ทันต่อสถานการณ์อย่างนี้ก็จะสามารถทําให้รักษาหล่อเลี้ยงกุศลธรรมที่เป็นไปในชั้นของศีลได้คือปฏิบัติต่อเขาได้ดี เพราะการปฏิบัติต่อกันที่เป็นหลักสังขาวัตถุที่ขับเน้นออกมาการให้การดูแลการปฏิบัติต่อกันเนี่ยอันเป็นระดับศีลนะที่มันออกมาผักออกมาเป็นเมตตากายกรรมเมตตาวจิกกรรมเมตตามนโนกรรมทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นซึ่งเหล่านี้ต้องทําให้มีให้เกิดขึ้นในชีวิตจริงๆให้ได้ไหวไหมแบบเนี้หรือมันเป็นนามธรรมมากเกินไปขอเป็นตัวอย่างไหมยอมเคยทํา ยอมยอมว่าเวลาอยู่กับคนที่เราในครอบครัวเนี่ยระหว่างเมตตากรุณามุทิตาเนี่ยรูเบขาเนี่ยยอมใช้ข้อไหนง่ายที่สุดสะดวกที่สุดห้ามบอกอุกเบขาเนอะ <c oughs> อุเบขามันเฉยเมยกัเฉยเฉยมองเหมือเหมือนกันไอเฉยเมยก็คือไม่สนใจจะเป็นไงก็เรื่องคุณอย่างนั้นเขาเรียกอัญญานุเปกคาเฉยเฉยไม่รู้เรื่องไม่เอานะแบบนั้น อุเบกขาเขาใช้ในสถานการณ์ที่เขาขวนขวายในการทากิจตัวเองได้โดยที่เราไม่ต้องไปก้าวกายเขามีโอกาสจะฝึกตัวเองพัฒนาตัวเองนั่นอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเมื่อเขาประสบความทุกข์แล้วไม่สามารถที่จะเกื้อกูลได้ไม่สามารถที่จะยเป็นโรคร้ายอย่างเงี้ยตั้งกรุณาขวนขวายเต็มที่แล้วแต่ก็ต้องวางใจเป็นกลางว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นทรัพย์สมบัติของตน ทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วก็จะต้องรับผลของการกระทํานั้นๆจะว่าเขาเลยแม้เราก็เหมือนกันเนี่ยลักษณะอย่างนี้การเกี่ยวข้องกับพ่อแม่เนี่ยสำคัญที่สุดถ้าเราตั้งหลักพระมิหารได้ในชีวิตจริงก็จะสามารถที่จะอยู่แล้วก็รักษากุศลได้ในการเกี่ยวข้องกันเพราะเอิญมันไม่มีเวลาจํากัดถ้างั้นยกตัวอย่างรายละเอียดจะได้เยอ ะ, อะต่อเดี๋ยวจะไม่จบเจ้าค่ะ ท่านนี้มีข้อสงสัยว่าในหนังสือการแผ่เมตตาเนี่ยเจ้าค่ะที่เราสวดทุกวันเนี่ยคำว่าสัตตาปานานะคะกับอัตตภาวะปริยาปานาต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะอะไรนะสัตว์เธอล้ยงสัตตาปานาสัพเพมั่งเขาเขียนสัตตาไงสัพเพปานาใช่ไหมเขาเขียนสัตตาค่ะกับอัตตภาวะปริยาปัานาต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะก็คือว่า สัพเพปานาก็คือก็คือให้สัตว์ทั้งหลายนี่สัตว์ที่มีลมปานทั้งหลายป็นปานะสับนั้นแปลว่าลมปาสัตว์ที่มีชีวิตทั้งหลายลมหายใจเข้าออก เ, เ, เป็นตัวเป็นตัวหล่อเลี้ยงชีวิตสัตว์ที่มีชีวิตทั้งหลายส่วนคําว่าอัตตาภาวะประิปานาก็คือว่าสัตว์ที่มีอัตภาพสรุปแล้วจริงๆก็คือขันห้านั่นแหละอย่างยกตัวอย่างเช่นที่บอกว่า ที่บอกว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยรักษาตนให้พ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงอัตตาภาวะปริยราปนาเนี่ยรักษาตนให้พ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็คือน้อมให้สัตว์ทั้งหลายที่มีขันห้าหรือมีอัตภาพเนี่ยจงพ้นจากอันตรายภายในและภายนอกอันตรายภายในของหมู่สัตว์ก็คือ กิเลสคือราคะโทสะโมหะและทุจริตทั้งหลายอันนี้คืออันตรายภายในที่เบียดเบียนอัตภาพของสัตว์ทั้งหลายให้สัตว์ทั้งหลายจงพ้นจากอันตรายภายในคือกิเลสและทุจริตส่วนอันตรายภายนอกก็เยอะหมดเลยเดี๋ยวนี้นะทั้งงูกัดทั้งตะขาบต่อยทั้งโดนฆ่าโดนยิงโดนแทงทั้งโรคร้ายทั้งหลายมาเบียดเบียนเนี่ยอันตรายทั้งหลายที่มันมาเบียดเบียนเป็นต้นเห็นไหม ฉะนั้นหมูสัตว์ทั้งหลายเนี่ยสัตว์ที่มีอัตภาพทั้งหลายก็คือกะระแสขันห้านี่แหละรูปขันเวทนาสัญญาสังขารญิยกระแสของรูปนามทางขันหานี่แหละมันมีอันตรายอยู่ตลอดเวลาเชื่อจริงไหมพวกเราเนี่ยวเวลาเราแผ่เมตตา <T> แผ่เมตตาให้กับคนอื่นแล้วก็ปราถนาให้คนอื่นพ้นจากอันตรายเราก็ต้องเจาะกันไว้อันตรายคือกิเลส กิเลสที่ก้มรุมกระแสชีวิตของหมู่สัตว์เนี่ยเป็นอันตรายต่อเขาไหมเป็นฆ่าศึกด้วยเป็นเพชฌฆาต ด, ด้วยเป็นอันตรายภายในด้วยกายยโจริตวจีทสจิตมโนทสจิตที่สัตว์เหล่านั้นยังพ้นไม่ได้เนี่ยเราน้อมให้เขาพ้นให้อัตภาพของเขาปลอดภัยให้อัตภาพของเขาบริสุทธิ์จากอันตรายภายในและให้อัตภาพกระแสชีวิตของเขาพ้นจากอันตรายภายนอกอันตรายภายนอกอาจจะโดนฆ่าโดนทุบ ด, ดมแทงหรือหลบภัยแก่เจ็บหรือ ไปโดไปเกี่ยวข้องกับมิจฉาทิถีเงี้ยเขาชักจูงกระแสชีวิตให้ไปทําบาปทาําอกุศลมันก็เป็นอันตรายภายนอกจากการที่เขาไปเกี่ยวข้องนี้เป็นต้นฉะนั้นก็ว่าอัตตาภาวะปริยาปนาคือว่าให้สัตว์ที่มีอัตตาภาพเหล่านี้ให้พ้นจากอันตรายเธอแล้วแล้วควรจะหวังดีปรารถนาดีเขาพ้นจริงๆนะและเราก็ไม่ปรารถนาอันตรายเหล่านั้นจริงๆนะ ราคาโทรศัพท์โมหะกุ้มรุมกระแสชีวิตเราในเจ็บปวดเนื้ทศจริตทั้งหลายก็เจ็บปวดมันเจ็บปวดทั้งในขณะธรรมแล้วก็เจ็บปวดในการต่อไปด้วยกิเลสเหมือนกันเวลามันเกลือกกลัวกับอัตภาพเนี้ยมันก็ทําลายในในขณะนี้แล้วก็ในการต่อไปด้วยมันเจ็บปวดแบบนี้ฉะนั้นขอให้พ้นจากอันตรายทั้งภายในและภายนอกแบบนี้เราจึงน้อมเมตตาเขากรุณาเขาอย่างนี้เป็นต้นเจ้าค่ะมีข้อสงสัยว่า เมตตาเจโตวิมุตติที่แผ่โดยเจาะจงแล้วก็โดยไม่เจาะจงนะคะแผ่ไปในทิศในสิบทิศมีผลต่างกันอย่างไรทั้งผู้แผ่และก็ผู้ก็ อ, อย่างนี้ใหม่ๆเนี่ยที่เขาเรียกแผ่โดยเจาะจงก่อนเนี่ยเพราะกําลังของเมตามันยังอ่อนคําก็คือใจที่มันรวมหลอมรวมเป็นเมตตาที่ผนึกพลัง ก็เลยต้องแผ่ให้กับตนเองจนมีพลังแล้วก็เริ่มแผ่เจาะจงให้กับเจาะจงก่อนพอมันแผ่จนคนที่เจาะจงได้แล้วทีนี้แผ่แบบไม่มีประมาณอันนั้นแปลว่ากำลังของเมตตาเขามีพลังสมาธิเขาแรงมากถ้าไม่แรงเนี่ยมันได้แต่แผ่แบบท่องสังเกตว่าเราท่องเลยมันได้แต่พูดไปนะแต่มันไม่ไปจริงไปแวบแวบแว บ, วบเป็นงั้นจริง จริงไม่จริงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันไม่มีพลังหรอกแต่คนที่มีพลังของเมตตาจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหเวลาน้อมจิตไปตรงไหนวิ่งปื๊ดปืดปดปดปด๊เร็วมากเร็วจริงๆนะแผ่สิบทิศเนี่ยแวบเดียวอะคิดอะไรมันจะวิ่งไหลปื๊ดไหลอย่างนั้นจริงๆเลยเหมือนอย่างนี้โยมน้ำอะน้ําที่เทจากที่สูงจากบนภูเขาอะ แต่ทำท้องร่องเขาไว้ขุดร่องเขาไว้แล้วใช้น้ำเทมันจะวิ่งอย่างเร็วเลยนะวิ่งแล้วก็พัดพาสิ่งที่ควรพัดพา ก, กระจายหายเกลี้ยงเลย mm hmm. แต่ถ้าหากว่า mm hmm. กระจายแบบไม่มีแลอวเทกระจายไปโอ้ไม่มีพลังเลย mm hmm. นั้นจิตที่เป็นสมาธิที่เป็นพลังของเมตตาจริงๆมันมีพลังมากเวลามันมีพลังเบ็ดเสร็จปุ๊บเนี่ยน้อมไปที่ตรงไหนมันพุ่งอย่างเร็วมาก ปุ๊บเจาะไปที่ตรงนั้นได้เลยแล้วก็ถึงใจเลยฮะแผ่วปุ๊บปุ๊บปุ๊บเไปทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกอนุทิศแผ่ไปทิศวงบนเืน้องล่างเนี่ยวิ่งฟืดฟืดฟืดฟืดเลยเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากยังยังไม่มีพลังก่อนก็จึงบอกจริงๆหลักการก็ต้องต้องแผ่ต้องทําเมตตาจิตจนมีพลังจริงๆเหมือนเครื่องบินนี่เรยอมมีไม่มีพลังบินไม่ขึ้นบินไม่ขึ้นรถเหมือนกันไม่มีกําลังวิ่งไปไม่เร็วไม่ วิ่งไปจนวม้เราจะวิ่งทางสิบทางนะวิ่งปุ๊บๆุเไม่ไหววิ่งได้เอื่อยอึ่อยมากพลังมันไม่แรงเหมือนการสมาธิของคนที่ฝึกไม่ดียังมีพลังไม่แรงฉะนั้นถึงบอกว่ามันต่างกันไม้ต่างเมื่อสามารถแผ่ได้จนหาประมาณไม่ได้และแสดงว่าจิตเขาเป็นเป็นระดับสมาธิระดับสูงแต่อย่างของพวกเราก็คือถึงไม่ระดับสูงมันก็ไปได้ให้มีท้องล่องนาหน่อย นำๆก็ยังทําให้รู้สึกว่าเออมันมันมันวิ่งไปได้บ้า <c> ง <oughs> โอเคไหมคะท่นนี้บอกว่าอยากทราบว่าสติและสัมปชัญญะต่างกันอย่างไรเจ้า<อ>คะ<อ>และวิธีการเจริญสัมปชัญญะทําอย่างไรคะ่ะคืออย่างนี้ อ, อ, อธิบายอธิบายแบบง่ายๆนะสติและลึกได้อะไรตรงนี้สติเนี่ยที่บอกได้ว่ามัน ดึงตรึงและจับเนี่ยสติดึงมากับคำว่าดึงไว้ก่อนเรื่องใดๆที่ผ่านมาในอดีตคือสติเนี่ยก็มีทีละสัญญาประทัดฐานาสติมีสัญญาที่มั่นคงเป็นเหตุใกล้ยังไกับกายะหรือว่าสติปัฏฐานสี่เป็นเหตุใกล้ก็หมายความว่าอะไรรู้ไหมคนที่สติเกิดได้ง่ายก็เพราะเป็นคนที่มาร์คเครื่องหมายอะไรไว้เยอะ ไปเห็นอะไรพบก็มาร์คเครื่องหมายไว้มาร์คเครื่องหมายไว้เนี่ยมันจะระลึกได้ค่อนข้างค่อนข้างได้ได้รวดเร็วเพราะสัญญาที่คือความจําตัวนี้ให้เวลาเราระลึกรดีต ด, ดึงเราดึงเรื่องในอดีตมาดึงมาเนี่ยนีก่ก็ดึงมาระลึกเรื่องในอดีตแล้วก็ดึงมาเพื่อให้ใจได้รับรู้หรือดึงมาในขณะปัจจุบันเนี่ยปัญญาจะได้มาสอบสวนด้มาตรวจตรามาแยกแยะกุศลอกุศล อ, อย่างนี้เป็นต้น สติส่วนกรณีอย่างหนึ่งคือดึงไว้เนี่ยในกรณีอย่างนี้ก็คือในขณะที่เราฟังเราฟังอยู่อย่างนี้แล้วเราไม่ต้องการให้เรื่องราวนี้อารมณ์นี้มันผ่านหรือมันหลุดลอยไปเนี่ยก็จับไว้ตรึงไว้ดึงไว้อย่างนี้เป็นต้นทีนี้ตัวตัวสติเนี่ยกับตัวสัมปชัญญะสัมปชัญญะที่จริงในหลักของสติปัฏฐานมี3ตัวใช่หมหนึ่มีความเพียร สมีสัมปชัญญะสา ม, มีสติไอ้ความเพียรเนี่ยความเพียรตรงนีนะ้ก็คือตัววิริยะเพียรละบาปเก่าเพียรละบาปใหม่อย่างที่เคยอธิบายไปแล้วเพียรในการเจริญกุศลนี่เป็นต้นเพียรในการรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูรย์ไอ้ความเพียรเนี่ยมันมาจากความว่ามีเกตจจำงมีความจงใจตั้งใจที่จะให้ความเพียรเกิดขึ้น อย่างตั้งสมาทานในใจว่าบาปอากุศลกรรมมันชั่วร้ายจะไม่ไ ห, หลเข้าสู่จิตณขณะนี้เป็นต้นไปอย่างนี้เป็นต้นไอตัวสติเนี่ยเป็นตัวกำกั บ, กบอย่างที่บอกว่าบอกว่าละกายยะทุจริตเจริญกายยสุดจริตและไม่ประมาทในธรรมทั้งสองอย่างพอตั้งหลักนี้ปุ๊บเนี่ยสติเป็นตัวปิดปิดไม่ให้กายยทุจริตไหลเข้าสู่กระแสชีวิตไม่ให้วจีทุจริตไม่มนโนทุจริตไหลเข้าสู่กระแสชีวิต และในขณะเดียวกันก็รักษากายยโสจิตวิจิโุจริตวิมโนสุจริตไว้แล้วก็ทําสุจริตสามให้เจริญภัยบู์พิญโยภาพยิ่งขึ้นไปกรณีอย่างนี้เขาเรียกไม่ประมาทนี่เป็นหน้าที่ของสติใช่ไหมไอตัวสัมปชัชญะเนี่ยสัมปชัชญะนี่เป็นชื่อของปัญญาก็าแปลว่าการรู้ชัดปัญญาที่เข้าไปรู้ชัดอย่างยกตัวอย่างอย่างรู้ชัดกุศลรู้ชัดอกุศลเงี้ยรู้ชัดว่าสัมมาทิฏฐิ รู้ชัดว่าสัมมาทิฏฐิว่าเป็นสัมมาทิฏฐิรู้ชัดว่ามิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิความรู้นี้เป็นสัมมาทิฏฐิรู้ชัดว่ามิจฉาสังกปราว่าเป็นมิจฉาสังกปะสัมมาสังกปรเป็นสัมมาสังกปะความรู้นี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิให้ตัวสัมมาทิฏฐิมันจะไปแยกออกมันจะเห็นชัดเลยว่ามิจฉาทิฏฐิเป็นอย่างนี้สัมมาทิฏฐิเป็นอย่างนี้มิจฉาสังกปะเป็นอย่างนี้มิจฉาสังกปรเป็นอย่างนี้มิจฉาวาจาเป็นอย่างนี้สัมมาวาจาเป็นอย่างนีะ แล้วกามิจฉาสะติสมาสติมิจฉาสมาธิสมาสมาธิไอ้ตัวปัญญาสัมปชัญญะจะไปแยกออกว่ามันต่างกันยังไงแยกออกแบบนี้นี่เขาเรียกว่าสัมปชัญญะไม่ใช่ว่าคลุมเครือนะเขาเห็นชัดเช่นทุจริตเห็นไหมอกุศลเป็นอย่างนี้กุศลเป็นอย่างนี้เขาจะเห็นชัดเลยกายยทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตกายยสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเนี่ยตัวสัมมาทิฐิจะไปแยกแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาตัวสัมมาทิฐิไปแยกอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ย สติก็ต้องช่วยกำกับอยู่แล้วระลึกเพื่อจะให้ละมิจฉาทิฐิเพื่อจะเข้าถึงสัมมาทิฐิถึงจะเรียกว่าสัมมาสติเพียรในการที่จะละมิจฉาทิฐิเข้าถึงสัมมาทิฏฐิเรียกว่าสัมมาวยามะอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมแม้แม้กายยโจริตเหมือนกันนะรู้ชัดกายยโจริตว่าเป็นกายยโสจริตรู้ชัดว่าวจีสุจริตว่าเป็นวจีสุจริตเนี่ยรู้ชัดอย่างนี้เป็นสัมมาทิฐิเพียรในการที่จะละกายยโจริต เพียรในการจะเข้าถึงกายสุจริตเรียกว่าสัมมาวยามะมีสติระลึกเพื่อจะเข้าถึงเพื่อจะละกายยัตจริตเพื่อจะเข้าถึงกายยสุจริตเรียกว่าสัมมาสติก็ใช้สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาวายมะเพียรชอบแวดล้อมสัมมากรรมันตะไว้การกระทําชอบไว้ไม่ให้มิจฉากรรมันตะไหลเข้าสู่กระแสชีวิตเนี่ยอย่างเงี้ยกรณีแบบเนี้ยที่จริงเวลาจะถามต้องถามทั้งสมองค์เลยทั้งสัมมาทิฏฐิ ทั้ง ส, สัมมาสติทั้งสัมมาวายมะเพราะนี้เป็นองค์คุณของการปฏิบัติสติปัฏฐานเห็นไหมเวลาเวลาเราจะละกายยะทุจริตเนี่ยมันต้องตัวปัญญาที่สมาธิฏฐิต้องมาแยกก่อนกายยทุจริตข้าสารักทรัพย์ประพฤติในการเป็นอย่างนี้ไม่ข่าสัารไม่รักทรัพย์ไม่พฤติในการเป็นอย่างนี้รู้ชัดอย่างนี้แล้วเป็นสมาธิฏฐิแล้วก็มีสติระลึกระลึกที่จะละกายยทุจริตเพื่อจะเข้าถึงกายยะุจริตนี้เรียกสัมมาสติ เพียรในการที่จะละกายทุจริตเข้าถึงกายทุจริตนี่เรียวกว่าสัมมาวายามะใช้สัมมาทิฏฐิเห็นชอบสัมมาสติและลึกชอบสัมมาวายามะเพียรชอบแวดล้อมกายสุจริตไว้ไม่ให้กายทุจริตไหลเข้าสู่กระแสชีวิตอีกนะับตั้งแต่ขณะนี้เป็นต้นไปเนี่ยถ้าใช้องคุณอย่างนี้มันจะละได้ทุกตัวเป็นแบบนี้หมดเลยนะตั้งแต่สัมมาทิฏฐิเป็นต้นมิจฉาทิฏฐิไล่ไปจนครบ ทั้งหมดนั่นแหละถ้าอย่างเงี้ยเขาจะจะจะฝึกได้จริงถ้าเพียรทําอย่างนี้เข้าใจบริบทของการเดินมักแ8ดอย่างเงี้ยอย่างนี้จะเข้าใจได้จริงพอพอเห็นภาพไหมไม่ใช่ว่าอยู่ๆว่าไม่ทําแล้วทุจริตไม่ทํากายไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พืชปิดฎกามแล้วจะงดเว้นจาฆ่าสัตว์ลักท ร, รัพย์พืชปิฎกามไม่ใช่ต้องรู้ชัดก่อนว่ามันมีเป็นกรรมมรรคกรรมักตาสมาธิเห็นชัด เป็นสมาธิทิฐิแล้วก็เพียรเลยนะเพียรที่จะละจริงๆปิดบาปแล้วก็เพียรเจริญจริงๆแล้วก็มีสติในการที่จะละเข้าถึงกายสุจิตแล้วก็ใช้สมาธิฐิสมาวายามะสมาถสติแวดล้อมตัวสมากรรมตะไว้แวดล้อมกายสุจจริตไว้บอกว่าเราจะไม่ให้หลุดไปจากกระแสะชีวิตเราจะปิดบาปกายโยตุจริตไม่ให้ไหลเข้าอีกเลยนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป เพียรพยายามเจริญกายเยสุจริตให้พินโยให้เจริญพินโย ภ, ภัยบุญพินโยภาพยิ่งยิขึ้นไปถ้า่างนี้นจะชัดพอมองเห็นไหมแล้วก็ตอบให้สามองค์เลย <c oughs> <c oughs> แถมให้ <c oughs> จำค่ะกราบขอพระคุณค่ะแถมให้ค่ะ <c oughs> พระอาจารย์เจ้าค่ะคำถามหมดแล้วเจ้ค่ะอันนี้แผ่นเนี้ยแผ่นสุดท้ายเนี่ยนะคะไม่ใช่คําถามแต่เป็นคำขอเจ้ค่ะบอกว่าเนื่องจากโอกาสที่จะได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์เนี่ยค่อนข้างลําบาก ชีวิตคนเราไม่แน่นอนอยากขอความอนุเคราะห์ให้ท่านแสดงธรรมในเกี่ยวการปฏิบัติเกี่ยวกับมรณานุสติให้ด้วยเจ้าค่ะเพราะพรุ่งนี้กับชาติหน้าไม่ทราบว่าจะพบอะไรโอ้ดีเลยเอามาอวิทยุมาแจก <laughs> ในนี้มีมรณานุสติคือใครที่จะกล่าวก่อนตอนเช้าให้มากาก่อนไนดะ้ <c oughs> ไม่รู้ใครที่ว่าจะไม่ได้อยู่ตอนเช้าที่ที่บอกไว้เขเชิญมา เอาวิทย่เนี่ยมารับไปทีส่วนส่วนพวกนี้ถ้ายังอยู่ก็ไม่เป็นไรที่มันจะจะแจกมัจะดึก เ, เชิญมารับก่อนได้เลยมีกี่คนเบ้า ง, ง, งจริงๆต้องแจกแต่ไม่น่าจะครบหรอเปล่าไม่น่าจะไม่ครบเฉพาะคนที่ได้แล้วเออยังไม่ได้เนะี่ยเชิญเชิญมามีใครอยากจะรีบมาเอาไปก่อน <c oughs> อ๋อมีเชิญเลยยนะิบเอาเองเออท่านท่าน อาจาทุ ก, กท่านไม่ต้องกังวลนะคะได้นะคะมีเยอะนะคะมีพอค่ะไม่ต้องกังวลนะคะพอใช่ไหมน่าจะพอน่าจะพอค่ะเอาเชิญหยิบเลยนะคะจะเป็นวิทยุอย่างนี้นะคะข้างในธรรมะมากมายเลยค่ะของพระอาจารย์มีมรณานุสติเนี่ยนพูดเรื่องความตายก่อนไปหาดูเอะเลยท่านเจ้าวาดแจกท่านเจ้าวาดแจกเออโอ้รับจากมือเจา้าวาดขังแปลว่าต้องเอาไปฟังนะ ถ้าไม่ฟังวิทยุจะหายกลับมาหาเจ้าของอะไ ร, <ส>ะรก็อ๋อกลับก่อนโอ้ยมฉลาดกว่าไม่ได้มีทั้งหมดเจ็ดิบเครื่องมั้มีแค่นี้เจ็ดิ บ, บ เออจริงๆยอมเข้าใจพูดนะวันพรุ่งนี้กับชาติหน้าไม่รู้อะไรจะมาก่อนใช่ถ้าวันพรุ่งนี้ไม่มีก็แปลว่าชาติหน้าเรียบร้อยชาติหน้าเรียบร้อยเลยเอออันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่อ ง, องที่น่าน่าน่าสะเทือนใจเหมือนกันจะพูดถึงเรื่องมรณานรสติเ ร, เรื่องเรื่องเรื่องความตาย อยู่ทุกวันเนี่ยอยู่แบบคล้ายๆว่าเหมือนเหมือนนาทีต่อนาทีกันอย่างนี้นอตัวามาเองนะถ้าพูดถึงชีวิตเนี่ยบางทีพออะไรหน่อยเอ้ยเริ่มแม้ต้องต้องนอนสักนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วพราะสะภาพไตเนี่ยมันต้องกินยาคมตลอดใช่ไหมถ้าเราไปอะไรสักพักหนึ่งนะมันมันเริ่มเริ่มมีอาการ ต้องนั่งหนหนึ่งใช้จิตให้เป็นสมาธิหน่อยบางทีนั่งรถมาเอ้ยทาไมเลือดไม่มีแล้วซีดหมดเลยอเจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติเอี่ยวูบขึ้นวูบลงตลอดอแต่มันดีตรงไหนตื่นเต้นดีตื่นเต้นมันตื่นเต้นตรงนี้รู้สึกว่าล้นล้นได้ดีลองเป็นยังามาบ้างไงจะรู้สึกลุ้นลุ้นตลอดลุ้นเอาไงดีเอาไงดีเอเเยจะถึงจะถึงตรงนั้นไหมอะไรเงี้ยลุ้นได้เวลาวาง แผนก็เลยมีแผนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวระยะกลางระยะยาวก็สําเร็จหรือไม่สําเร็จก็ช่างแต่ระยะสั้ น, นทําวันต่อวันสบายใจเลยด้ <c oughs> แล้วก็มันเคลียร์ไงเวลาจะออกจากที่ไหนรู้ไหมเก็บไปให้เรียบร้อยโอกาสจะกลับมาไม่แน่ยังเราจะออกจากห้องเนี่ยเคลียร์ของเสร็จแล้วก็นั่งกราบพระและลึกถึงพุทธเจ้าบอกว่าเรามีอะไรห่วงไหม ไม่มีพร้อมที่จะไม่กลับก็ได้ออกมาเราะนั้นคือออกมาจากตรงนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่เขาไปเปิดไปที่ห้องโอ้โห oh, อะไรไม่รู้ไม่ได้เก็บไม่เคลียร์เคลียร์เคลีย ร, ยทรย์ทุกวันเคลียร์ทุกวันเคลียร์เรื่องตัวเองทุกวันเพราะว่านี่จะตายไปไหร่ก็ได้ใช่ไหมล่ะมันชีวิตของยอมยอมอาจจะประมาทกันได้บ้าง แต่จริงๆก็ไม่ได้ทั้งนั้นแหละจริงๆ้วยหลักการใช่ไหมแต่ว่าทีวิตของของคนที่จ่ออยู่กันเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยไอ้อุปมาเรื่องไอ้เรื่องมรณาตทติเนี่ยแต่ก่อนในเรื่องว่าไอ้ตัวมาเกิดเนี่ยเหมือนเราถูกหลอกมาให้มาเที่ยวอุทยานในคำอุปมาแต่ก่อนมันก็มองไม่เห็นมันก็ได้แค่พยันชนะการมาเกิดเหมือนเขาชวนมาเที่ยวอุทยาน เที่ยวสวนสนุกเนยไอความเกิดเนี่ยไอ้ความแก่เนี่ยเหมือนไอ้คนที่สองไอ้บุรุษที่สองมันถือกระบองไวท้ทบสลีละโคง้งงอผิวหนังเหี่ยวย่นทั้งหลายนเนี่ยเนี่ยเนี่ยอินรีเริ่มฟ้าฟางเนี่ยไอ้พญาที่อ่เหมือนคนถือกระบองถืออะไรทุบคนที่สามทบโอ้พยพญาที่หนึ่งง่อมแลย้ยมาเจอพญาที่แล้วตอนเนี้ยมันทบเสเอ้ย ไอคนที่สี่ถือมีดรออยู่แล้วก็ดิ้นปัดปัดไปทตเนี้ยมันถือมีดรออยู่ดิ้นมาถึงมันเมื่อไหร่ก็ตัดศีรษะปึ๊กก็ตายแค่นั้นเองเนี่ยตอนนี้มากำลังถูกมันทบดิ้นดิ้นตอนนี้ดิ้นดิ้นปึ๊ดปื๊ดปืปื๊อยู่มันดิ้นดิ้นดินดินไปเนี่ยมันไอคนที่หนึ่งมันหลอกเรามาอุทยานไอคนที่สองทบเลยงอหมดเลยสรีละผมเผลมงอกตายเตยไปอวัยวะ ถ้าอวัยวะมันทำวอวัยวะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกทั้งหลายมันทำหน้าที่วิพิริตผิดเพี้ยนใช่ไหมวิพิริตรผิดเพี้ยนก็เรียกพยาธิไงถ้ามันมันสลีลัโค้งงอผิวหนังเหี่ยวย่นนี่อันนี้แก่ใช่ไหมถ้ามันหยุดทําหน้าที่นี่ก็เรียกมรณะอวัยวะตาหยุดทําหน้าที่ไตหยุดทําหน้าที่ตับหยุดทำหน้าที่เนี่ย อาการหยุดทําหน้าที่ของเขาไอ้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยมันไม่เคยหยุดได้นะไอะ้ลมปานลมปานในตัวรักษาชีวิตในปานนะัะหัวใจเนี่ยมันเคยหยุดสักเวลาถ้าหยุดก็เรียบร้อยยอมยอมรู้ได้ไงว่ามันจะไม่หยุดเต้นหัวใจเนี่ยเนี่ยมลน้ําอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันหยุดทําหน้าที่ปุ๊บเมื่อไรก็เรียบร้อยแค่นั้นเอง ย่มจะไปกระตกมาให้ทำเฮ้ยเฮ้ยอย่าดับเว้ยอย่าดับมบมันต้องบอกโอ้ยมรณะเนี่ยมันมันมันเป็นเรื่องจริงตลอดเวลาเลยตรงนี้ความจริงตรงนี้ฉะนั้นคิดเมื่อไหร่ก็ถึงต้องรักษากุศลไว้ถ้าเราทิ้งกุศลทิ้งเมตตาทิ้งกรุณาทิ้งมุทิตาทิ้งอุเวขาทิ้งศีลสมาธิปัญญาโอ้โหเดือดร้อนดันดีเลย ทิ้งถ้าทิ้งมาเลยเนี่ยถ้าตายตอนนั้นสวยเลยสวยเลยใช่ไหมโอ้โหแย่เลยเนี่ยแย่ yeah, เลยทุกตินี้มิรเลยมียอมคนหนึ่งนะจะเล่าให้ฟังนะอยู่สุพรรณบุรีตายไปแล้วแกเป็นคนสอนบาลีแค่กับพระนีนอันนี้นีเล่าเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในยุคนี้ก็ไปที่ไหนใครก็จะเรีย ก, กเป็นศึกษาดโอ้โหเก่งสอนบาลีเก่งมาก บารีร <it is S 2> uh ุ oh ่นเก่าๆสอนพระสอนอะไรต่างเวลาคุยกับพระเนี่ยเขาเาาไม่ค่อยเคารพพระหรอกเาเขาถือว่าเขาเขาเก่งไงเก่งกว่าพระแล้วก็นึกเออแต่นึกในใจโอ้นึกหนักรุนานนิดเดียวเขายังไม่เคยเจอประสบการณ์แแรงๆเนึกอย่างเงี้ยนะเวลาคุยโอ้ยมาเจออาามาใดทีก็เอาบารีมานั่งคุยคุยเสียงดังป๊อปป๊อปอโเรื่องไง ผมเนี่สวดธรรมจักได้สวดอันทิตอา น, นาัตได้อะไรได้ตอนผมบวชนะสอนอย่างงั้นตอนนี้ผมสอนพระพระเน้นทีโอหัวไม่ค่อยดีเหมือนย ก, ก่อนเล็งต่างที่กระโดพดพราด้วยนั่นใจเ อ, อื้อทําไงเนาะโยมคนนี้เขาได้สลดสังเวคะเนี่ยออมาเลอกเลือกเ น, นี้ยมีอยู่วันหนึ่งโยมเนี่ประมาณสักเดือนสองเดือนมีวันหนึ่งแกขับมอไซค์มามาหามาที่วัดเนี่ยปกติแกจะนั่งเก้าอี้คุยเม้าวันนั้นก็มานั่งสั่นอย่างเนี้ย นั่งสั่นปะปะปะบางเงี้ยมาถามให้เป็นไรย อ, ยอมปไปเลยก็ท่านช่วยผมด้วยถามอะไรยอมแกก็เล่าไปว่าแกบอกแกแกไปสอนบาลีมาแล้วแกก็เหนื่อยพอมาถึงที่บ้านแกก็นอนพอนอนเนี่ยมันวุบไปเลยแต่เนี้ยสักพักนี่วุบไปเลยมันมันวูบไปเลยมันหายใจไม่ออกนั่น น, นั่นก็ไปเลยแต่เนี้ยเอามัรู้สึกอีกทีมีไอ้สามคนยืนอยู่ว่าไง ตัวอย่างใหญ่ตัวดำไม่สามค น, น, น, น, กกนเนี่ยยืนยืนยืนเสร็จพวกก็จับเนี่ยจับแขนไงยกขึ้นสองคนนะอีกคนหนึ่งนําแกก็ดินด้นดิ้นดิ้นใหญ่เลยแต่เนี้ยดิ้นเพื่อร้องเรียกเมียและลูกช่วยพ่อด้วยช่วยพ่อด้วยเงี้ยนะนี่แกะกำลังดิน้นดินแกะก็เหลียวมองตัวเองแกบอกโหแทบช็อกเลยไอตัวแกมันกลายเป็นกระดูกหมดเลยเป็นโครงกระดูกไม่มีอะไรวัฒเพศ แกเอ๊ะทำไมตัวแกเป็นแบบนี้ไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นโครงกระดูกหมดเลยแกก็เลยกาซิบบอกบอกว่าขอให้บอกเมียและลูกก่อนอีกคนที่มานําบอกไม่ต้องเสียงดังๆไม่ต้องก็ลา ก, กไปไปตัวแกก็ลอยไปเหมือนเหมือนไม่ได้เดินงีน้ยแกก็เหลียวซ้ายแลขวาในตลาดสุพรรณเนี่ยแกจําได้หมดและใครอ่ะแกกัตโกรเรียกช่วยด้วยช่วยด้วยไม่มีใครได้ยินแกไม่มีใครเห็นแกเลยก็บางเงี้ย เขาก็ลากลากเราไปเห็นเจดีแค่ก็นึกไม่ออกไม่รู้จะทํำยังไงจิตมันมันกลัวจนนึกอะไรไม่ออกนี่แกผ่านผ่านวัดที่แกสอนแกนึกถึงเจ้าวาดก็บอกว่าขอบอกเจ้าวาดก่อนได้ไหมก็บอกไม่ต้องเขาก็ลากเข้าป่าไปเลยทีนี่ขึ้นปุ๊บปุ๊บปไปเลยไปเห็นในภูเขาสามสามสามโลกนี่แกเล่านะแล้วก็มันมีควันมีไฟขึ้นปุ๊บปุ๊บยงี้พอไปถึงตรงนั้น แกเห็นในตัวเหมือนแกเลยเป็นกระดูกแบบแกเนี่ยกระดูกใสมันลอยมาลอยมันก็ะโดดฟุดฟุดฟุดฟุดเข้าไปในในในในในเขานน้นเนี่ยนี่ก็ก็ปล่อยแกเขามองหน้ากันสักพักหนึ่งก็ปล่อยแกตัวแกก็ลอยแต่ไม่เร็วอย่างคนอื่นเนี่ยลอยแล้วก็ตีร่างกายแกก็แกจ้องไอ้ไอ้ไอ้ตัวขอบเขาอ่ะแกก็เกาะโดดเกาะอย่างเงี้ยแกเกาะอยู่อย่งนั้นเนี่ยตัวแกก็เกาะอยู่งั้นแหละ ทีนี้พอเกาะ อ, อยู่อย่างนั้นเนี่ยแกก็กลัวมากกลัวจะตกลงไปนั่นนะแกก็อยากจะรู้ว่าไอ้ข้างล่างมันเป็นยังไงแกก็ก้มดูแกบอกโอ้โหใจแทบขาดเลยตัวเหมือนแกเนี่ยเต็มหมดเลยในนั้นน่ะแล้วไฟมันลุกท่วมล้อวีดวิวแล้วที่ปลิวข้ามหัวแกมาทีละห้าทีละสิบมันไหลลงตลอดเวลาเลยไอ้ตัวเหมือนแกเนี่ยปึืดปืดปืดปืดลงไปอะไรแั้นเอย แกก็เกาะ อ, อยู่อย่างนั้นแหละเกาะกลัวแกบอกในชีวิตไม่เคยกลัวเลยขนาดนี้ทีนี้แกได้ยินพอกำลังเกาะเกาะอยู่แกได้ยินเสียงพระเรีย ก, กแกเกาะจนหมดแรงใกล้จะหมดแรงมีพระเรียกเรีย ก, กแกก็วุบหายไปเลยพอมารู้สึกตัวอีกทีก็นอนแข็งอยู่ยนั้นแหละแข็งร้องไห้ลุกไม่ขึ้นนึกยังลุกไม่ขึ้นต้งนอนอีกประมาณชั่วโมงถึงขยับตัวได้ แกบอกผมคิดถึงท่านเป็นคนแรกจะต้องมาถามท่านว่าอะไรเกิดขึ้นกับผมแบบนี้อะไรอย่างนั้นพอมาแกก็ขับมอเตอร์ไซค์มาแกก็มานั่งแกบอกอะไรเกิดขึ้นกับผมก็ววอกอ๋ยอมนี่เขาเรียกว่ามรณาสถนาการยอมการใกล้ตายอย่างนี้เขาเรียกทุกขตินิมิตรถ้ายอมตายไปตกนรกนี่แหละนี่แหล ะ, หละตรงหลักเป๊ะเลย แกบอกแล้ผมจะทํายังไงผมจะบวชดีไหมไม่ใช่เรื่องบวชหรือไม่บวชแล้วมันเรื่องเข้าใจหรือไม่เข้าใจดําเนินชีวิตให้มันถูกเดินทานศีลภาวนายังไงก็บอกแกทั้งหมดเลยได้๋นี่โอ้เก็บฟังแบบตั้งใจเลยนะจากคนหยาบหยาบจากคนที่ไม่เคารพพระสงฆ์เลยกลับกลายเป็นคนอะไรก็ได้ก็บอกโอ้บอกยาวรายละเอียดเยอะแต่เนี่ยบอกแล้วต่อมาแกตั้งมั่นตายไปแล้ว ไอ้ทุก่ะไอ้คำว่ามรณาสันกรรมนดีมันเกิดเป็นเดือนก็ได้เกิดเป็นอาทิตย์ก็ได้เกิดเป็นวันก็ได้เปิดเป็นขณะก็ได้อันนี้แปลว่าโอ้บุญแกนะเนี่ยมาบอกอย่างเงี้ยใครใครเคยฝันไปนรกนี้บ้างไหมเคยบ้างไหมคืนนี้ลองไปฝันดูนะ <laughs> <laughs> ฝันดูแล้วก็รียดมันจะได้อ่อนน้อมต่อพระราตนไตรัยังไม่เล่าเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหพวกเราน่าจะฝันกันอย่างนี้บ้าง <laughs> ดีนะแบบเนี้ยมันทําให้รู้สึกโอ้โหมันใกล้ตัวจริงๆในะเรื่องเรื่องพบภูม่เนี่ยมันใกล้ตัวมากหรือมันมันจะมันจะมุ่งมั่นในการเจริญกุศลโอ้โหแต่นี้ไม่ต้องสอนเยอะเลยคนแบบเนี้ยให้นั่งกรรมฐานก็นั่งใช่ไหมถ้ายอมเกิดก็ยอมอย่างเงี้ยยอมยังห่วงอะไรอยูไม่ถามจริงยังจะห่วงไหมห่วงลูกเลี้ยนไม่จบ่วงยังมีไหมไม่มีแล้วใช่ไหมฉะนั้นคืนนี้ขอให้เราฝันกันดีทุกคน สมควรเกี่ยวเวลาแล้ว <c oughs> อ้าวเดี๋ยวอุทิศส่วนกุศลกันพวามหมดเวลาเลเนี่ย <c oughs> มากินเวลาเลยเวลามา